ซีดีธรรมบัญญายชุดจาริกบุญจารึกธรรมโดยพระพรหมคุณาพรปออประยุตโตวัดยานเวสศ ก, กวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมตอนที่สิบรักษาธรรมคือรักษาความเป็นไทยบัญญายที่ โรงแรมแอมบาสเดอร์อชันตาอรางังคาบด์ประเทศอินเดียเมื่อวันศุกร์ที่25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2538เวลาเจนาฬิกา40นาทีวันนี้คิดว่าเป็นธรกมกถาปิดรายการเพราะว่ารายการที่ไป เยียมเยือนสถานที่สําคัญทางพุทธศาสนาก็หรือว่าจบลงในวันนี้ในการไปชมธรรมอชัญตาแล้วต่อจากนี้ก็เป็นเรื่องของการเรียมเดินทางกลับประเทศไทยแล้วพวกนี้ก็ไปเดลีกรุ่มเดลีก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรเกี่ยวพุทธศาสนาเป็นเพียงสถานที่ที่ไปขึ้นเครื่องบินกลับประเทศไทยเท่านั้นเองนี้โยมบางท่านก็อยากจะฟังเรื่อง ธรรมะปฏิบัติเรื่องกรรมฐานแต่เพราะเวลาของเราน้อยเรื่องที่เป็น เ, เกี่ยวกับเฉพาะโอกาสเนี่ยตมาว่าจําเป็นก่อนวะนจันทร์ก็ควรจะพูดถึงเรื่องที่เราไปเยี่ยมเยือนมาก่อนต่อจากนั้นถ้ามีเวลาเหลือค่อยมาพูดกันเรื่องธรรมะปฏิบัติในสําหรับรายการที่เราไปมาเรื่องถ้าอชันตาเอโนรานี <Okay. S 1> ก็ยังไม่มี เวลาไม่มีโอกาสที่จะพูดพร้อมกันกับโยมทุกท่านตอนที่มาถึงวันแรกหรือวันที่สองวันที่สองตอนไปทํามัชชัญตาตมาก็พูดบนรถคันที่หนึ่งเล็กน้อยก็ไม่พร้อมกันในประการหนึ่งก็เป็นเพียงว่าพูดคร่าวๆเพราะฉะนั้นวันนี้โยมพร้อมกันก็ควรจะได้พูดเรื่องนี้อีกหน่อยหนึ่งแต่ อย่างที่อาตมาได้ออกตัวไว้บนรถแล้วว่าเรื่องธรรมอชันตาเอ็นโรานีอาตมาเองก็มีความรู้น้อยเพราะเป็นเรื่องพระพุทธศาสนายุคหลังไม่มีในคำพีและในเมืองไทยเรานี่เราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องพุทธศาสนาในประเทศแม้แต่ประเทศอินเดียที่เป็นต้นแหลง่งเราเรียนพุตธประวัติก็แค่ คาเป็นมาในพระชุมนุมชีพหรือพุทธกิจของพระพุทธเจ้าแค่ปรินิพพานต่อจากนั้นเราก็จะเรียนเรื่องการสังขยนาเล็กๆน้อยๆพอให้รู้ว่ามีสังขยานาสำคัญกี่ครั้งแต่ละครั้งนั้นปลาโรคเหตุอะไรแล้วก็ทําที่ไหนแล้วก็ก้าวข้ามไปเลยคือจะไม่เล่าไม่เรียนเหตุการณ์ในระหว่างนั้น นันอย่างประวัติพุทธศาสนาในอินเดียนี่พระ ส, สงฆ์ในประเทศไทยนี่แทบไม่รู้เรื่องอันนี้ก็ต้องไปการค้นคว้าวเองสําหรับเรื่องอท่ามัชันใต้โรลาก็เป็นเรื่องของพุทธศาสนาในอินเดียยุคเหล่าซึ่งเราเรียกได้ว่าเป็นพุทธศาสนาของอินเดียโดยเฉพาะเราก็เลยมีความรู้น้อยแต่ว่าถึงแม้จะรู้น้อยก็เราก็หาอ่านเอกสารในต่างๆเอาแล้วก็ไม่ใช่ว่า ที่อินเดียเองเขาจะรู้มากเขาก็รู้น้อยเหมือนกันชาวอินเดียนี้ถ้าไม่มีความรู้เรื่องเหล่านี้เลยที่มีบ้างก็อาศัยฝรั่งมากกว่าเพราะว่าทัมชันตาเอโร ล, ลานี่ก็เป็นสถานที่สําคัญที่ถูกทอดทิ้งมาเป็นเวลาตั้งคิดว่าเจ็ดแปดร้อยปีจนกระทั่งกลายเป็นพวกที่รกชัดเป็นป่า มันอยู่ในภูเขาอยู่แล้วเป็นถ้ำแล้วก็แถบนั้นก็สมัยก่อนก็สันนิษฐานว่าอาจจะมีต้นไม้มากแล้วก็ในพศ2462หรือสศ1819ก็มีทหารอังกฤษที่มาล่าสัตว์แล้วก็มีเรื่องเล่าทำนองว่าเว่ล่าสัตว์ไปตอนหนึ่งก็ไปตามกวางแล้วก็มันหนีไปในถ้ำ ตา ม, มาก็มาเจอเอาถ้าอาัชันต้าของเขาก็าพบสิ่งแปลกประหลาดอศัศจรรย์นี่ก็เป็นเรื่องของคนอังกฤษที่มาเป็นผู้ปกครองอาณานิคมตอนที่อินเดียตกปเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษแต่พออังกฤษได้มาค้นพบก็แสดงว่าชาตอินเดียไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยเมื่ อ, อังกฤษมาค้นพบแล้วก็เลยได้มีการศึกษาค้นคว้าตามวิชาการแบบพวกโบราณคดี อันนี้ก็ทํานองเดียวกันกับสถานที่สําคัญทางพุทธศาสนาเรียกได้ว่าทั้งหมดในประเทศอินเดียที่ถูกทอดทิ้งรกร้างไปหมดแล้วอย่างเรื่องพระเจ้าอโศกนี่คนอินเดียก่อนอังกฤษมาปกครองไม่รู้จักพระเจ้าอโศกพระเจ้าอโศกนั้นหายไปกับบทติาย์บทเลยแล้วกับฝรั่งก็มาค้นพบสถานที่สําคัญหลักศิลาจารึกอะไรต่างๆเล่านี้ฝรั่งอังกฤษทางนั้นเลยาบางคน แล้ก็เรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนาในยุคเก่าๆ เ, เราก็มองในแง่นหนึ่งก็เป็นนี่นักวิชาการนักประวัติศาสตร์นักโบ ร, ราณนัดีของตะวันตกพวกอังกฤษนี่มากพอสมควรอันนี้ในเมื่อเขาศึกษาค้นคว้ากันไปสําหรับท่ามาัญชันใต้โนรานี่ก็ได้ความรู้มาพอสมควรที่จะพูดต่อไปนี้ส่วนหนึ่งก็จะพูดตามที่เขาได้คน้นคว้าและก็สันนิษฐานกันมา สิ่งเหล่านี้เราก็พูดได้ในแง่หนึ่งก็เป็นเรื่องของการสนิทฐานยังไม่มีความรู้ที่ชัดเจนมากนักแต่การสนิษฐานนี่ก็มีเหตุมีผลพอสมควรแล้วก็พูดไปตามแนวนั้นมันก็จะเป็นเรื่องทางด้านประวัติศาสตร์เรื่องของศิลปะเรื่องของโบราณนัดีเราท่านที่สนใจในทางศิลปะนี่ก็จะมีมากหน่อยคือ ปัจจุบันนี้จะไปให้ความสำคัญในแง่ศิลปะมากจะเป็นเรื่องของสถาปัตยกรรมบ้างเรื่องของประติมากรรมแกะสลักบ้างแล้วก็เรื่องของจิตรกรรมรกว่าภาพวาดต่า ง, างเขาจะให้ความสำคัญไปงานที่เด่นในด้านศิลปะมากแต่ว่าอีกด้านหนึ่งที่สำคัญก็คือด้านาศาสนาซึ่งคนอาจจะมองไม่มากนะนี้ว่าด้านาศาสนาเองก็มองในแง่ของ เรื่องของภาพทางโบราณคดีหรือสิ่งที่ปรากฏทางโบราณคดีบางอยา่างก็ไม่ค่อยลึกซึ้งอะไราต่ตมาว่าสิ่งที่จะเป็นประโยชน์สําหรับชาวพุทธคือเรื่องบทเรียนมากกว่าบทเรียนสําหรับชาวพุทธนี้น่าจะมีประโยชน์มากแต่ก่อนที่เราจะพูดถึงบทเรียนเราก็ต้องดูเรื่องราวที่เป็นมาทางประวัติศาสตร์แล้วก็มาเชื่อมโยงแต่ว่า เรื่องบทเรียนเหล่านี้เราก็ได้พอเป็นแง่คิดบางอย่างเท่านั้นไม่ใช่ถึงกับแน่นอนไปเลยเพราะว่าเราไม่ได้รู้ความจริงชัดเจนเอาเป็นว่าบทเรียนนี้ถ้าหากว่ามันจะเป็นแง่คิดที่ทําให้เกิดประโยชน์ในปัจจุบันที่จะามาใช้ในการเตือนสติให้ไม่ประมาทได้มันก็เป็นสิ่งที่ดีครับนี่ก็มาทําความเข้าใจกันเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องของถ้าเหล่านี้ก่อนตามหลักฐานที่ท่านเหล่านั้นหรือนัก วิชาการนักโบราณคดีเป็นต้นได้แสดงไว้ซึ่งโยมหลายท่านก็ได้อ่านแล้วก็ได้ศึกษาจากหนังสือก็คล้ายๆกันนั่นแหละแต่ว่าอาจจะเอามาสรุปก่อนที่จะพูดนี่ที่เรามาชมนี่เราไปเริ่มจากถ้าเอลโลราเอโนรานั้นเป็นถ้าใหม่คือตามที่นักปราะสนณิฐานกันว่าเริ่มจากพศประมาณสัก 1,100 โดยประมาณ ตั้งแต่ประมาณ1100มาจนกระทั่งถึงประมาณพศพ3 0 0ามรหรือพันสเรื่องนี้ก็ไม่ไ ด, ด้เด็ดขาดนั้นว่าถึงการสร้างในเรื่องก่อนทีนี้การอยู่อาจจะอยู่เลยมากกว่านั้นก็ได้แต่ทีนี้ที่ถ้ำเอโนรา่นี้ก็มีทั้งสามศาสนาอย่างที่ทราบกันอยู่แล้วว่ามีทั้งหมด34มสิบสถ้ำและเป็นถ้ำพุทธอยู่ ชุดแรกคือถ้ำที่1ถึง12ต่อไปถ้ำที่13ถึง29ก็เป็นถ้ำฮินดูนี่ต่อกันไปเลยถ้ำพุทธกับถ้ำฮินดูนี่ต่อกันไปทีนี้ต่อจากนั้นถ้ำที่สาถึง34เป็นถ้ำศาสนาเชนหรือาศาสนามหาวีระหรือนิครธนตบุตรในพุทธศาสานาเราเรีย ก, กาศาสนานี้ว่า ลัทธินิโครทนาตตะบุตรแต่ในการศึกษาปัจจุบันนี้เขาจะเรียกกันว่ า, าศาสนาเชนเป็นถ้ำที่สาสิบถึงสาสบสี่ถ้ำสามสบสามี่นี้เป็นอีกชุดหนึ่งต่างหากออกไปแล้วก็เมื่อวันซื่อนี้ที่เราไปเราก็ไม่มีเวลาคือเราไปติดที่ถ้ำอิดูแล้วหมดเวลาก็เลยไม่ได้ไปดูถ้ำเชนซึ่งไม่ได้อยู่ต่อกันว่าอยู่ห่างออกไปถึงประมาณกิโลเมตรอันนี้ก็ทําความขาวเข้าใจกันคร่าวๆก่อน เป็นอันว่าที่เอลโนราเนี่ยมี3าศาสนาของพุทธศาสนานี่ก็เริ่มอย่างที่ว่าเมื่อกี้ประมาณพศตีสัปดาห์หนึ่งพัเศษเศษหรือหนึงพมาจนกระทัง่งถึง 1,300 งพึงทีนี้ของฮินดูเนี่ยมาเริ่มหลังคือมาเริ่มในระหว่างมาเริ่มตีสัว่าหก็หลังพุทธศาสนาสักร0 0 2 0 0งรปีแล้วก็มาสิ้นสุดลงก็ระยะ เวลาก็ไม่ห่างไกลกันเท่าไหร่แล้วของเชนนี่หลังสุดก็มาคาบเกี่ยวกับของฮินดูของเชนนี่อาจจะมาเริ่มสักพศพันพสามอย3หแล้วก็มาสิ้นสุดเอาพศถึงประมาณ 1,600 ที่ของเชนที่มีห้าถเด้วยกันอันนี้ที่ให้ทราบเวลาก็จะได้รู้ว่าเริ่มต้นนั้นเป็นของพุทธศาสนาหก่อน แ้วจึงมีศาสนาฮินดูมาแล้วก็ม า, าศ า, ศาสนาเุทสําหรับพุทธศาสนาที่เอโลราก็มีแต่พุทธศาสนาฝ่ายมหายานอันนี้ก็เป็นที่กําหนดไว้คือเป็นสิ่งที่ควรจะต้องทราบนี้เป็นถ้าเอโลราที่เราไปชมก่อนเราย้อนจากของใหม่ไปและเสร็จแล้วเราจรึงไปดูเก่าที่อาชันต้าอาชันตานี้เป็นถ้าเก่าเป็นถ้าพุทธศาสนาล้วนๆเลย เดิมนั้นมีแต่พุทธศาสนาที่สร้างศิลปกรรมในถ้ำคือถ้ำอันตาที่ถ้ำอัชชะตานี่ก็มีทั้งหมดที่เขาแสดงไว้ก็มี30รรมสิบถ้ำามสถ้ำนี่ก็เริ่มตั้งแต่ประมาณพศ3า0ร้อาแรกเก่าแกรนโอล่าหมายความว่าถ้ำแรกที่อัชชะตานี่ก่อนถ้าแรกที่โอล่าประมาณ800ปีเก่ากว่ากันมากมายเหลือเกิน ทีนี้ที่อาชันต้านี่เริ่มประมาณพศสามห้าสิบก็มาจบที่ประมาณพศห2ึ0พันสองจบสิน้นว่าอย่างนั้นแล้วก็ต่อจากนั้นก็ไปมีที่เอโนราเอโนราก็มาคาบเกี่ยวกับทางอาชันต้านในตอนปลายปลายหน่อยทีนี้ที่ต้องสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า ที่อชันต้านั้นที่ว่าเป็นถ้ำพุทธศาสนาล้วนๆก็แบ่งเป็นสองส่วนอีกคือส่วนของหินญาณหรือเทรวาตพูดง่ายๆก็คือสายแบบของเราแบบที่พุทธศาสนาแบบที่ไปเมืองไทยมีอยู่หกถ้ำเลยกันคือถ้ำที่ 8, 9, 10, 1้1สและก็30 3สามสิบนั้นไปไม่ถึงเห็นว่าไม่มีทางไปหรือว่าจะมีแรงสไลด์แผ่นดินถล่มไปแล้วลแต่ว่าเอากันว่ามี หกถ้ำนี่เป็นถ้ำของสายหินยานสายพวกเราแล้วก็เหลือจากนั้นก็เป็นฝ่ายมหายานหลายถ้ำนี่ก็เป็นถ้ำผสมคือเป็นของฮินยานแต่เดิมฝ่ายมหายานก็มาแต่งเติมทีหลังเช่น ว, ว่าทำสร้างถ้ำไปแล้วทางด้านสถาปตัตยกรรมและประติมากรรมทำํำไว้แล้วเป็นส่วนใหญ่แล้วทางฝ่ายมหาหยานก็มาเติมพวก จิตรกรรมพภาพวาดพระภาพวาดนี้แน่นอนว่าจะต้องมีการลบเรือนได้ไวเมื่อผ่านไปหลอยร้ยร้อยปีเข้าภาพเก่าที่ทางฝ่ายเทรวาตภาพไว้ก็อาจจะเรือนไปลบไปฝ่ายมหายานก็ไปแต่งไปเติมไปวาดใหม่หรือจะลบทําใหม่มันก็ไม่ยากก็เอาเป็นว่าถ้ำเป็นของอินญาณเทเถรวาตแล้วมีบางถ้ำที่ป่าบนที่ผสมอินญาณยุคเก่าแล้วก็มา มหาญาณมาผสมตอนหลังแล้วที่เหลือจากนั้นก็มีตั้งถลายละ6ก็เหลืออีก24่สิบเป็นของมหายาณนี่ของหินยานหรือเถราวาทนั้นที่ว่า6กถ้มก็เก่ามากอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าประมาณพศ350มาถึงประมาณสัก500เท่านั้นเองหรือ550คือของเถราวาทหรือมหายานนี่ทําอยู่ประมาณ200รปีแล้วก็ขาดช่วงตอน ขาดช่วงตอนไปประมาณ400ปีของมหาญานจึงมาเริ่มไม่ใช่ว่าต่อเลยนะี่เลย่อนอนิจญาณ น, นี่หายไป400ปีขาดช่วงแล้วมหาญานมาต่ออันนี้ก็เป็นเรื่องที่แปลกละ่ะมันก็คงเป็นเรื่องของการที่ต้องศึกษาต่อไปไม่รู้จะมีทางศึกษาค้นคว้าได้สาเร็จหรือเปล่าว่าทําไมหายขาดตอนไป400ปีแล้วมหาญานก็มาต่อ ก็หมายความว่ามหายานก็มาต่อตั้งพศเท่าไร่ล้วทีนี้ตั้งพศตั้งเก้า้อยหรือ8ปดเก้าร้อปีอ่ะกว่าจะมาต่อต่อบางทีกระทั่งจบยุคไปเลยนี่ก็เป็นเรื่องของความรู้ทั่วไปเบื้องต้นที่ควรจะทราบอันนี้ก็สิ่งที่ควรจะได้พิจารณาเป็นข้อสังเกตแล้วก็มาเชื่อมโยงกับเรื่องบทเรียนคือ สิ่งเหล่านี้แสดงถึงความเจริญและความเสื่อมของพุศาสนาด้วยอย่างแน่ น, นอนแต่ว่าเรื่องความเป็นเหตุปัจจัยในความเสื่อมความเจริญ น, น, นั้นเนี่ยเรายังไม่อาจจะค้นคว้าให้ได้ชัดอาจจะเป็นความมืดอยู่ตลอดไปก็ได้แต่อย่างน้อยเนี่ยเราพบความแตกตา่างอย่างที่บอกเมื่อกี้บอกว่าเริ่มต้นก็เทรวาสก่อนแล้วก็มาหมายานหายานแล้วก็ มาเอโน ล, ลาหมหายาณเริ่มต้นแล้วก็มามีศาสนาฮินดูแล้วก็ศาสนาเชดสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่น่าสังเกตเอาข้อสังเกตในเรื่องระหว่างศาสนาก่อนคือเรื่องการที่อยู่ถ้ำเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาสาหรับพระในพุทธศาสนาในพระวินัยนั้นสถานที่สาหรับพระอยู่อาศัยนั้นพระพุทธเจ้าก็ตัดไว้แล้ว <c oughs> เวลาพระบวชนี่พระอุปชฌายะท่านจะบอกอนุสาต อนุสาสตร์หมายความว่าคําสอนเบื้องต้นสําหรับพระใหม่ต้องบอกทันทีเมื่อบวชเสร็จว่าพระนี่จะดําเนินชีวิตอย่างไรและก็มีวินัยข้อห้ามอะไรสําคัญที่ทําไม่ได้จะขาดจากความเป็นพระทีนี้ในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ของพระนี่ก็จะมีบอกทันรียกว่านิสัยสนิสัยสี่ก็คือปัจจัยเครื่องอาศัยปัจจัยสี่นั่นสำหรับพระเรียกว่านิสยัยปัจจัยที่พระอาศัยเรียกว่านิสยัย ปัจจัยสที่พระอาศัยเรียกว่า น, นิสัยก็มี4อย่างก็คือ1บึ่งวิญญาณสองจีวรสเสนาสนะสเพศสัตว์หรือกีฬานะปัจจัยเพศสัตว์จะเบิ่งขาดนี่ในข้อเสนาสนะที่อยู่อาศัยนั้นพระอุปชาก็จะบอกว่าพระนั้นสถานที่อยู่เป็นพื้นฐานที่สุดก็คือรุกขมูลเสนาสนะรุกขมูลเสนาสนางก็คือโคนไม้เ่นก่อ พระนี่จะจาริกไปเรื่อยแล้วก็อยู่ตามผลไม้นี่เป็นพระยุคแรกจะจาริกไปเรื่อยพระพุทธเจ้าของเราก็อยู่ผลไม้จาริกไปในสถานที่ต่างๆแล้วก็ค่าที่ไหนก็พักที่นั่นหรือว่าร้อนเดินทางไปก็พักไปท่านก็เดินทางจาริกปฏิบัติาศาสนกิจไปเรื่อยๆโบรนาณเราเวลาหน้าออกพรรษาไปแล้วนี่พระอย่างนิยมท่านเรียวกว่าไปรุกขมูล แต่ก่อนนี่ไม่นิยมใช้คําว่าทุดงเพราะคาว่าทุดงนี่เป็นคําที่เพี้ยนความหมายเธอใช้คําว่ารุกขมูลก็แปลว่าออกไปจาริกนั่นเองคือเดินทางไปพักตามคนไม้เมื่อมีพระสงฆ์อยู่มากแล้วพระพุทธเจ้าก็ห้ามจําภาษารุกขมูลห้ามจำภาษาใต้ลมไม้เพราะว่าไม่เหมาะสมแล้วก็ไม่ดีต่อสุขภาพเป็นต้นแต่ว่าเวลานอกภาษาแล้วก็ไปได้ อันนี้ลูกขมูลก็หมายความพระนี่ก็ออกจาริกไปไปพักตามโคนไม้ต่อมาก็ถือว่าเป็นทุดงข้อนหนึ่งทุดงนั้นแปลว่าข้อปฏิบัติสําหรับขัดกลางกิเลสมี13ข้อเดียกันเป็นข้อปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องจีวรบ้างเกี่ยวกับเรื่องอาหารบ้างเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัยบ้างแล้วเรามาเข้าใจกันผิดไปว่าทุดงนั่นคือออกเดินจาิกไปความจริงพระออกปฏิบาติเป็นประจำทุกวันก็เป็นทุดงข้อ พระถือจีวรใช้เพียงสามผืนชุดเดียวไม่ใช้ผ้าที่เขาเรียกว่าอดิเรกคือเกินเกินกว่าชุดหนึ่งสาผืนนั้นไม่ใช้ก็ถือว่าเป็นทุ ด, ดงกคอ้อพระถือใช้จีวรที่ไปเก็บของเขาทิ้งเอาผ้าที่เขาทิ้งมาแล้วก็มาต้มมาตัดมาเย็บมาย้อมเองใช้เองก็เป็นทุตดอกค้อ คือไม่รับจีวรที่ญาติโยมตัว่าไม่รับนิมนต์อย่างบิดาบัดก็ชันแต่อาหารบิดาบัดอย่างเดียวอย่างเนี้เรียกว่าทุดดงทางนั้นนี่เรามาใช้เข้าใจผิดไปว่าทุดงนั้นออกเดินทางไปเลือเล่อนๆกันไปหมดศัพท์ในพุทธศาสนานี่เลื่อนเปม็มว่าแต่อยู่ป่าเป็นวัดอยู่ป่าเป็นประจำมันนั้นก็ถือว่าเป็นทุดงข้อหนึ่งอย่างมหาประสิทอยู่คนไม้ก็ถือเป็นทุดงข้อหนึ่งทุดงบางข้อถือได้เรื่อย แต่ทุดดวงงข้อถือได้จํากัดเวลาเช่นอย่างการอยู่ใต้ร่มไม้ต้นไม้นี่ก็มีบัญญัติว่าห้ามไม่ให้จำพรรษาใต้ร่มไม้ถือทุดดวงข้อนี้อยู่ได้จํากัดไม่ได้ถือได้ตลอดปีอันนี้ก็เป็นความรู้แทรกเข้ามาแปลว่าลุกขมูลนี่เป็นที่อยู่ดั้งเดิมของพระนี่พระอชาก็จะบอกไปบอกว่ามีเสนาสนะที่พระจะอยู่อาศัยได้เป็นส่วนที่เรียกว่าอดีเรก ตัวที่เป็นอดีเลกนี้ท่านจะบอกว่าวิหาโรอัธโยโคปาสาโทหัมมิยังกุหาเสนาสนะที่อยู่อาศัยที่เป็นส่วนอดิเล็กที่เป็นส่วนเพิ่มเข้ามาซึ่งอนุญาตให้พระอยู่ได้ก็มีวิหารวิหารนั่นคือกุฏินัน่นเองวิหารก็คือที่อยู่อาศัยที่พักคำว่าวิหารนั่นแปลว่าที่อยู่อาศัยตัวตรงเลยแปลว่าที่อยู่อาศัยภาษาไทยเรามาใช้เข้าใจเป็นว่าอาคารที่สร้างคู่กระบอกเลื่อนหมด ในความหมายวิหารก็ที่อยู่ของพระแล้วต่อมาเมื่ออยู่กันมากๆก็สร้างเป็นกลุ่มวิหารขึ้นก็พลอยเรียกทั้งกลุ่มนั้นเป็นวิหารด้วยคำว่ า, าวิหารก็เลยหมายถึงวัดเลยเช่นเชตวันมหาวิหารเป็นต้นวิหารนี่ในความหมายกว้างก็หมายถึงวัดทั้งวัดก็คือกลุ่มที่อยู่ของพระนี่ในเมืองไทยเราทำไมวิหารจึงว่าเป็นชื่อของอาคารอันหนึ่งที่คู่กับโบสถ์ เข้าใจว่าเราจะสร้างที่อยู่ถวายพระพุทธเจา้าคือว่าเราคารพพระพุท ธ, ธ, จ ธ, ธจเจ้ามาแม้พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานไปแล้วเราก็สร้างที่อยู่ถวายพระองค์จะเห็นว่าเราจะเอาพระพุท ธ, ธรูปที่เกินใช้เกินจำเป็นนะหรือสร้างพิเศษขึ้นมาเป็นที่บูชาก็ไปเก็บไว้ในวิหารและก็พระพุท ธ, ธรูปมากมายก็ไปเก็บไว้ในวิหารก็เป็นที่อยู่พระพุทธเจ้า เานนวิหารนี่ก็ความหมายหนึ่งก็คือเป็นที่อยู่เป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้านะเราสร้างขึ้นหรืออุทิศต่อพระองค์แต่ความหมายนี้มันกลายเป็นแคบไปไม่ตรงความหมายเดิมเอาแล้วนี่ก็เป็นกุฏิที่อยู่อาศัยของพระวิหาโรอัธโยโคก็เรือนมุงครึ่งเดียวก็คล้ายๆเพิงหมางเง็นคือว่าเรือนที่มุงข้างหน้าสูงข้างหลังต่ำนะที่เป็นเขาเรียกที่เป็นหลังคา อย่างเดียวเทลงไปข้างเดียวแล้วก็มีปราสาทโผล่เรือนชั้นปราสาทคําว่าปราสาทในอินเดียหมายถึงเรือนชั้นหมายความว่ามีสองสามสห้ชั้นก็เรียกว่าเป็นปราสาทสมัยก่อนในพวกเศรษฐีก็อยู่ปราสาทพระก็อยู่ปราสาทได้แต่ปราสาทไม่ใช่ปราสาทไทยในปราสาไทยนี่เอาปราสาทมาใช้กับที่อยู่พระราชาเป็นวังเป็นอะไรไปหรือที่อยู่ของพระเทวดา ก็แล้วก็หาไม่ยังท่านแปลกันว่าเรือนโลนอันนี้ก็ยังเป็นที่ไม่ชัดเจนนักอันนี้อตมาก็ไม่ค่อยถนัดทางด้านสถาปัตยกรรมนะก็เป็นเรือนชนิดหนึ่งที่ให้พระอยู่ได้แล้วก็อันสุดท้ายก็คุหาก็คือธรรมนี่เลยคุหาธรรมนี่แหละเป็นที่มาของเรื่องของอาชันใต้หลุนลากก็หมายความพระในตั้งแต่พุทธกาลเป็นต้นมานี่ก็อาศัยพุทธบัญญัติในวินัยที่อนุญาตไว้นี่ก็ ที่ท่านต้องการวิเวกแสวงหาที่วิเวกก็ไปอยู่ถ้ำนถะ้ำก็อยู่ป่าอยู่เขาบางองค์ก็อยู่ป่าเป็นวัดแต่อยู่ป่าก็เข้ากับข้ออื่นคือต้องมีที่พักเป็นวิหารเป็นกุฏิอะไรอยู่ น, นี่ก็เป็นเรื่องที่มาตามวิถัยชีวิตของพระสงฆ์ก็มีจํานวนหนึ่งที่อยู่ถ้ำมาตลอดจึงเป็นเรื่องธรรมดาสําหรับพระสงฆ์ในพุทธศาสนาที่อยู่ถ้ำ นี่ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเมื่อท่านอยู่ไปนะท่านอยู่นานๆแล้วก็ท่านที่อยู่นั้นบางท่านก็เป็นคนที่มีฝีมือบางท่านก็อาจจะเป็นพวกช่างเก่าบางท่านก็เป็นอัมมาศเป็นอะไรคนชั้นสูงมาบวชมีกำลังมีความสามารถนะก็ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์มีความคิดสร้างสรรค์ก็มีการแกะสลักอะไรต่างๆทำให้สวยงามขึ้นมา มีวัฒนาการอย่างนี้คงจะค่อยเป็นค่อยไปทีนี้อาจจะเป็นได้ทีนี้ก็มีพระราชาพระราชามหากษัตริย์มหาอมาตย์ต่างๆก็มีความร่วมใส่ก็อาจจะเห็นว่าเอออันนี้ดี น, น, นี่ก็มาสนับสนุนต่อมาก็มีการที่ว่าอุปถัมภ์เลยพระราชาหรือพวกขุนนางผู้ใหญ่ก็ออกทุนออกรอนในการที่จะมาแกะสลักถ้ำเหล่านี้ให้เป็นที่งดงาม แล้วก็เต็มไปด้วยศิลปะกรรมอันนี้คงจะใช้เวลานานเพราะอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้พระอยู่กันก็เป็นเวลาเป็นลอยๆก็มีวัฒนาการอย่างนี้จะยังไงก็ไม่ชัดเจนแหละก็สันนิษฐานกันไปแต่ว่าอันนี้มันก็มีข้อที่น่าคิดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพระที่อยู่ป่าอยู่ถ้ำในปกติก็แสวงวิเวกก็อยู่ในที่สงบหลีกร้นน่ะ จนกระทั่งว่าพระในพุทธศาสนาในยุคหลังพุทธกาลมาถึงหลังกามีการแบ่งกันเป็นสองฝ่ายคือพระฝ่ายหนึ่งเรียกว่าพระคามวาสีพระอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่าอรั ญ, ญวาสีพระคามวาสีก็คือพระอยู่บ้านหรือวัดใกล้บ้านวัดท่ามกลางหมู่บ้านแล้วก็อรั ญ, ญวาสีก็พระอยู่ป่าคตินี้ก็เกิดหลังพุทธกาลคือในสมัยพุทธกาลยังไม่มีการแบ่ง ในสมัยพุทธกาลนี่ถือว่าพระบวชเข้ามาแล้วนี่ก็มีชีวิตที่ว่ามีการฝึกฝนพัฒนาตนก็ต้องอยู่ตามความเหมาะสมในตอนแรกอาจจะต้องการที่สงัดเพื่อจะได้ฝึกฝนตนเองต้องการบำเพ็ญกรรมฐานอะไรต่งตางๆก็ไปอยู่ป่าเป็นครั้งคราวหรืออยู่ระยะแรกแล้วพอมีความสามารถออกมาก็มาอยู่ใกล้ๆพระพุทธเจ้าแล้วก็ อยู่กับพระผู้ใหญ่บางเพนส์าสัน ก, กิจเกี่ยวข้องกับประชาชนอะไต่างๆชีวิตก็ปะปะนกันไปเรื่องการอยู่บ้านอยู่ป่าไม่ได้แยกเด็ดขาดนอกจากบางองค์ที่ท่านถือธู ด, ดงอย่างมหากัสปะยมหากัสปะท่านก็ถือทุู ด, ดงข่ออยู่ป่าเป็นวัดตลอดชีวิตอันนี้บางองค์ก็ถืออยู่ป่าเป็นธู ด, ดงเหมือนกันท่านไม่ได้ห้ามคือในพุทธศาสนาเนี่ยืดหยุ่นมากจะถืออยู่ป่า3เดือน7 เ, เดือนปีหนึ่งสองปีก็ได้ แต่ยังพักกะสป่านี้ถือตลอดชีวิตเลยและก็มีความยืดหยุ่นหลากหลายมากต่อมาหลังพุทธกาลเริ่มมีความชํานาญพิเศษอาจจะเกิดจากเรื่องของการที่ว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วก็มีภาระของประสงค์เพิ่มขึ้นในการรักษาภาษาสดาเพราะว่าเมื่อพระพุทธเจ้าดำรงอยู่นั้นพรงเป็นผู้แสดงธรรมวินัยเองเป็นมาตรฐาน ที่จะวัดความถูกต้องของธรรมวินยัยธําสั่งสอนความประพฤติปฏิบัติความเชื่อเมื่อพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วทํำยังไงพระสงฆ์ก็มีภาระเพิ่มขึ้นก็คือการทรงจําธรรมวินยัยรักษาคําสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อรักษาคําสอนก็ต้องมีการเล่าเรียนมีการเล่าเรียนคําสอนสืบท อ, อดกันมามีการสังคยนาธรรมวินยัยรวบรวมเป็นหมวดหมดูหมหม่มีถึง 84%,00 มนสพันระธรรมขันต์ต่อมารวมเป็นพระไตรปิฎก ได้พระวินัยพระสูตรพระวิธรรมอย่างที่มาพิมพ์ในเมืองไทยได้ตั้ง45เล่มมากมายเหลือเกินนี้ทําไงพระก็มีภาระแหละแล้เริ่มตั้งแต่สังคีนามาก็มีภาระในการทรงจําะเมื่อมีการทรงจําก็ต้องมีครูอาจารย์ที่เป็นหัวหน้าแล้วก็มีการเล่าเรียนพระสงฆ์ก็แบ่งกันใช่ว่าพระชุดนี้กลุ่มนี้นะรักษาคําสอนส่วนนีเน้เช่นท่านแบ่งในพระสูตรเป็นทีคณิกายพระกลุ่มนี้ก็รักษาส่วนทีคณิกาย พระกลุ่มนี้รักษามัชฌิมนิกายพระกลุ่มนี้รักษานิกายอื่นๆว่ากันต่อไปอ น, นี้ก็เลยทําให้มีความชํานาญพิเศษแบ่งกันไปกลุ่มเป็นก้อนมีหัวหน้าทรงจํำทีนี้การศึกษาก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่พระจํานวนหนึ่งก็เลยกลายเป็นพระที่มีหน้าที่ในการศึกษาเมื่อมีหน้าที่ในการศึกษานี่ก็จะต้องอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนก็อยู่กันใต้หมู่บ้านรวมตัวกันก็เลยมีศัพท์ ที่เรียกว่าคันถาธุระขึ้นมาคันถาธุระก็ธุระในการศึกษาพระคมพีคันถาบแล้วทำพีคันธุธุระแปลว่าธุระในการศึกษาพระคำพีแล้วก็พระที่อยู่ในฝ่ายคันถาธุระก็มักจะเป็นพระคาโมวาสีอยู่บ้านอยู่วัดในบ้านนี้พระอีกพวกหนึ่งก็จะแยกไปที่ว่ามุ่งไปในการปฏิบัติในทางกรรมฐานก็ออกไปอยู่ป่า หาวิเวกเพราะว่าการปฏิบัติในเรื่องของกรรมฐานนั้นเหมาะชการที่จะอยู่ในที่วิเวกหลีกเล่นค่อนข้างจะปลีกตัวเพราะฉะนั้นก็เกิดมีธุระอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่าวิปัสนาธุระวิปัสนาธุระก็ธุระในการเจริญวิปัสนาก็รวมไปถึงการปฏิบัติตั้งแต่สมถะเป็นต้นไปด้วยเพราะวิปัสสนานี้ถือเป็นจุดยอดและนี่ก็เมื่อมีวิปัสนาธุระไปอยู่ป่าก็เลยเป็นอรั ญ, ญาวาสีและก็กลายเป็นว่า ในเรื่องของการงานก็แบ่งเป็นสองส่วนคือคันธธุระธุระในการศึกษาประคำและก็วิปัสสนาธุระธุระในการบําเพ็ญกรรมฐานโดยเฉพาะวิปัสสนาและส่วนในด้านตัวพระภิกษุก็แบ่งเป็นสองพวกคือพระคารมวาวสีอยู่บ้านและก็พระอรั ญ, ญาวาสีอยู่ป่านินพระที่อยู่ถ้าก็เป็นประเภทเดียวกับพระอยู่ป่าก็น่าจะเป็นพวกหลีกเล้นแสวงหาความสงบอันนี้ก็เป็นที่น่าสังเกตว่าต่อมาที่ มีการทําศิลปรกรรมต่างๆขึ้นในถ้ำนี้เป็นไปได้ไหมที่ว่าวัดในถ้ำเหล่าเนี้ยได้วิวัฒนาการมาจนกระทั่งชักจะกลายเป็นวัดบ้านข้อสันนิษฐานอย่างนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันมีความเป็นไปยังไงชัดเจน mm hmm. เช่นว่าภูเขาเหล่านี้ต่อมาถิ่นใกล้ๆนะ่าอาจจะเจริญก็ได้เกิดมีบ้านเมืองขึ้นมาไม่ไกล แล้วก็ประชาชนก็มีชุมชนใหญ่มีประชาชนจนํานวนมากไปวัดพระสงฆ์ก็มีความเกี่ยวข้องประชาชนก็เรียกอย่างภาษาปัจจุบันก็บริการประชาชนมากขึ้นมีการแสดงธรรมมีการสั่งสอนอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับประชาชนมากขึ้นก็อาจมีการผลิตอะไรขึ้นมาเป็นสื่อเพื่อถ่ายทอดคําสอนของพระพุทธเจ้ามีการเขียนภาพพุทธประวัติแกะสลักเรื่องของพุทธประวัติ แล้วก็มีภาพวาดนิทานชาดกอะไรต่างๆซึ่งเป็นเรื่องของคติธรรมสอนประชาชนแล้วก็ต้องการความสวยความงามแสดงว่าเป็นที่ที่ประชาชนมาทำบุญทำบุศสนเป็นเครื่องที่บำรุงผันบำรุงจิตใจประชาชนแสดงว่าถ้ำเหล่านี้จะต้องเป็นที่ที่ประชาชนไปมาเสมอก็กลายเป็นว่าถ้ำเหล่านี้ไม่ใช่ที่วิเวกเลยกลายเป็นที่ที่คล้ายๆวัดบ้านเหมือนกัน แล้วก็อาจจะมีบ้านเมืองมาอยู่ใกล้ๆแถวนั้นอันนี้เราก็ไม่สามารถรู้ชัดเจนได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้จริงก็แสดงถึงความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของวิถีชีวิตของพระเหมือนกันแล้วมันจะเป็นส่วนหนึ่งของการนำไปสู่ความเสื่อมหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าตั้งค้นสังเกตอาจจะเป็นทั้งส่วนหนึ่งของความเสื่อมอีกส่วนหนึ่งของความเจริญก็ได้แต่นี้ก็คือเรื่องของความเป็นมาในพุทธศาสนาและทีนี้ เดิมนั่นบอกแล้วว่าเป็นเรื่องของเทราวาสก่อนมาสร้างขึ้นพระเดิมก็เป็นพระแบบเก่าก็คือพระ ท, ทินยานหรือเทราวาสต่อมาพุทธศาสนาแบบเทราวาสนี้ได้เสื่อมไปจากอินเดียก่อนแค่ประมาณพศ4500นี้ก็เสื่อมมากแล้วก็ไปตั้งหลักมั่นเอาในลังกาพุทธศาสนาแบบเทราวาสของเราที่มีมาถึงปัจจุบันนี้เราก็รับสายหลังกาย เดิมนั้นรับสายพระเจ้ า, าส่งพระเจ้ า, าส่งนั้นเก่ามากตั้งแต่พศสองร้อสและสังเกตนาประมาณ2 3งร้อร้อยสานั้นส่งภาษาสนทูตไปประกาศศาสนาครั้งหนึ่งแล้วก็ว่าไปถึงสุวรรณภูมิคือประเทศไทยของเราด้วยแต่ยุคนั้นคนไทยก็ว่ายังมาไม่ถึงยังเป็นดินแดนทวาราวดีอันนี้ก็เป็นเรื่องของนักประวัติศาสตร์ไปแต่ทีนี้แบบปัจจุบันเนี่ยเพิ่งเริ่มสมัยสุขโขทัย สมัยสขโขทัยนี่เอาพุทธศาสนาจากลังกาตอนนั้นลังกานี่เป็นที่มั่นของพุทธศาสนาเถราวาทส่วนในอินเดียนั้นพุทธศาสนาเถราวาทแบบของเราเนี่เสื่อมไปแล้วพอถึงพศ600นี่ก็เป็นยุคมหายาลพุทธศาสนาแบบมหายานนี่จเจริญรุ่งเรืองตั้งแต่พศประมาณหลังจาก500นั่นแหละแต600นี่ก็ถือว่ามหายานชัดเจนแล้วก็เป็นยุคมหายานเรื่อยมาเลยในถ้ำเหล่านี้ก็เห็นได้ว่า มียุคเถรวาดอยู่แค่ถึงพมาณพศ .550 แล้วต่อจากนั้นขาดตอนมามหายานตอนต้นไม่สนใจหรือไหนไม่ทราบถึงได้ทิ้งไปตั้ง400ปีแล้วเกิดนึกยังไงก็มาต่อมาสร้างธรรมเหล่านี้ขึ้นมาตอนที่เป็นธรรมหายานนี้จะมีความวิจิตพิสดารมากขึ้นเพราะตอนนี้พวกฝีมืออะไรต่างๆก็ย่อมต้องเก่งขึ้นเป็นธรรมดาและพระยุคแรกก็มุ่งในการ ที่ว่ายังมีความสืบต่อจากประเพณีเดิมของฝ่ายเทรวาตพระที่มาอยู่อาศัยมีความสงบมีความวิพากหลีกเล่นอะไรเนี่ยอันนี้ก็เชื่อมต่อมามหายานมหายานก็จะสรองความต้องการของประชาชนมากขึ้นก็จะมีความประสานกลมกลืนกับลัทธิของศาสนาฮินดูมากขึ้นมากขึ้นแล้วมาถึงตอนหลังก็คือมีถ้ำของฮินดูแล้วก็เชืตอนนี้แหละที่อยากจะตั้งข้อสังเกตอีกหน่อย ได้บอกแล้วว่าสําหรับพระในพุทธศาสนานั้นเรื่องการอยู่ถ้ำนั้นเป็นวิถีชีวิตของท่านเลยเป็นทางเลือกอย่างหนึ่งในการเป็นอยู่แต่เป็นที่ประหลาดใจมากว่าทําไมฮินดูจึงมาสร้างถ้ำเหล่านี้ขึ้นมาเพราะว่าฮินดูนั้นไม่ได้มีเรื่องของการที่จะอยู่ถ้ำไม่มีวิถีชีวิตไม่มีพระสงฆ์ที่จะมาอยู่ถ้ำแล้วก็สร้างถ้ำนี้ทําไมอันนี้เป็นปริศนาที่น่าพิจารณาพระนั้น สร้างเพราะตัวอยู่แม้ญาติโยมพระราชามหากษัตริย์อา ม, มาตมาสร้างก็เพื่อถวายให้พระอยู่แต่ว่าฮินดูมาสร้างทําไมเมื่อมาสร้างมันก็กลายเป็นเทวะลายเป็นที่อยู่ของเทวดามาเช่นที่อยู่ของคนสร้างถ้ำให้เป็นที่อยู่ของเทวดาไปเป็นเทวสถานไม่เกี่ยวกับเรื่องของนักบวชหรือคนที่จะมาอยู่อาศัย นี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสังเกตว่าสร้างทำไว้มันในแง่หนึ่งก็อาจจะเป็นได้ว่าเพื่อจะข่มพุทธศาสนาและแสดงความยิ่งใหญ่อาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้แต่อันนี้ก็เป็นเพียงจุดสังเกตอันหนึ่งแต่ที่สาคัญกว่านั้นก็คือว่าคติความแตกต่างที่ปรากฏอยู่ในถ้มเหล่านี้ระหว่างพุทธศาสนากับาศาสนาฮินดูและก็เชดด้วยนะซึ่งแสดงไปถึงหลักการของตัวาศาสนาด้วย อันนี้แหละเป็นข้อพิจารณามันมีอะไรอยู่ในนี้แฝงอยู่หลายอย่างทีเดียวนะก็เริ่มต้นคือเราจะเห็นว่าในการสร้างถ้ำเหล่านี้ศิลปรกรรมต่างๆในพุทธศาสนานั้นเป็นเรื่องของมนุษย์เป็นเรื่องการอยู่กับธรรมชาติเป็นเรื่องของคุณธรรม เราจะสร้างถ้ำเหล่านี้แล้วก็มีภาพพุทธประวัติมีภาพนิทานชาดกเพื่อสั่งสอนคติธรรมนะคติธรรมเหล่านี้นิทานชาดกเป็นต้นก็จะเป็นเรื่องของการอยู่ถ้ำกลางธรรมชาติอยู่กับป่ากลางเขากระต้นไม้อยู่กับสิงสาราสัตว์มีนิทานชาดกก็เล่าเรื่องคติธรรมนะที่แสดงความอยู่ร่วมกันได้ดีระหว่างมนุษย์ด้วยกันแล้วก็สัตว์ทั้งหลายให้มีเมตตากรุณาอย่าง น, นั้นจะมีเช่นวัดศรีวิชาดกศรีวิราชาดก อาตมาก็จะยกมาเล่าเป็นตัวอย่างอย่างศรีวิราชาดกก็จะพูดถึงว่าเหี่ยวตัวหนึ่งนี่ไล่นกพิราบมานกพิราบม า, พ ร, า, บมาพระราชาก็ไปช่วยนกพิราบ ไ, ไวบไ้ช่วยนกพิราบนี่ก็เมตตากรุณาช่วยนกพิราบให้พ้นจากเหี่ยวเหี่ยวก็มัดทวงว่าอ้าวมาแย่งเหยืยวของตัวไปแย่งเหี้ยวของตัวไปนี่ไม่ได้ไม่ชอบทำใช่ไหมพระราชานี่ก็ ตกลงว่าฉันจะยอมเสียสละเนื้อในตัวของฉันเนี่ยเท่าเนื้อของนกพิราบให้แกหยิบนี่ก็เป็นความเสียสละของพระราชาไม่เอาเปรียบเกี่ยวนะไม่เอาเปรียบเกี่ยวในอุตสาห์เสียสละละก้อนเนื้อในตัวเนี่ยเท่ากับเนื้อของนกพิราบเพื่อจะช่วยชีวิตนกพิราบอย่างนี้เป็นเรื่องของความเสียสละและอย่างนี่โครทะมิคชาดกที่เราพูดกันที่ไปสายศิปจนะมฤุทธษัย์วันก็ดูเหมือนจะมีในนี้ด้วยนะ ต่มาคล้ายๆเคยเล่ามีอยู่ในนี้เหมือนกันแต่ชาดกนี้ก็จะเล่าเึ่งความเสียสละของเนื้อโหธิสัตว์ที่ว่าตอนนั้นมีเนื้อที่ตกลงกับพระราชาเพื่อจะสงวนพันเนื้อไว้ พ, พระราชานี้ล่าสัตว์ตลอดเวลาพระราตาก็เลยไปตกลงกันว่าจะยอมเสียชีวิตให้แก่พระราชาวันละหนึ่งตัวแล้วก็จัดวาระจัดเวรกันเข้ามา ให้ให้เนื้อหรือปางเนี่ยได้สละชีวิตของตนมายอมให้ถูกฆ่าวันละตัวละตัวมาคราวหนึ่งก็มาถึงเวรของแม่เนื้อลูกอ่อนหรือแม่วางลูกอ่อนปางโพธิสัตว์ก็เลยสละชีวิตขอเข้าไปแทนลําดับให้แม่เนื้ออยู่เพื่อจะเลี้ยงลูกต่อไปอันนี้ก็เป็นเหตุให้พระราชา แปลกใจคือเรื่องมันไปถึงพระราชาก็เลยมีการสนทนากันแล้วก็เนื้อโพธิสัตว์นี้ก็ได้แสดงธรรมได้โอกาสแสดงธรรมแก่พระราชาทําให้พระราชาที่มีจิตเมตตากรุณาก็เลยให้อภัยกันเนื้อไม่ฆ่าอีกต่อไปอะไรต่างๆก็มีเรื่องความเป็นมาเนี่ยอันนี้เป็นคติธรรมเรื่องของการอยู่ร่วมกันของมนุษย์การมีคุณธรรมความศีสละมีเมตตากรุณา เนี่ย น, นี่เป็นคติของพุทธศาสนาทีนี้เรามาดูของฮินดูพอมาดูของฮินดูนะโยมเห็นก็ชัดเลยใช่หภาพของฮินดูก็คือเท พ, พเจ้าต่างๆที่แผลงฤทธิม์มีมือให้มากที่สุดมีแขนให้มากที่สุดมีฤทธิ์ให้มากที่สุดมีอาวุธที่ร้ายแรงที่สุดเอามาฆ่ากันเอามาปราบปลามกันนะ หนึ่งก็คือว่าเต็มไปเรื่องเรื่องฤทธิ์เรื่องปาฏิหาริย์เรื่องเหนือธรรมชาติ <c oughs> พุทธศาสนานี่อยู่กับธรรมชาติเป็นเรื่องของมนุษย์มนุษยธรรมแต่ของฮินดูนั่นเป็นเรื่องที่เรียกฝรัง่งว่าซูเปอร์ n a t u เหนือธรรมชาติเ <c oughs> ทวดานี้เก่งไม่อยู่ธรรมดาและไม่เป็นธรรมชาติเราต้องเก่งพิเศษมีฤทธิ์ปาฏิหาริย์สองก็คือว่ากิเลส ว่ากันเต็มที่เลยเทพเจ้าเหล่านั้นก็มีโลภะมีโทสะมาปราบกันมาข่มกันม า, าทําร้ายกันเพื่อแสดงความเก่งกล้าคสามารถนี่คือความเปลี่ยนแปลงซึ่งมันสอดถึงความเปลี่ยนแปลงในสังคมอินเดียด้วยอันนี้มันก็ให้คติอย่างหนึ่งคือแสดงความแตกต่างระหว่างพุทธศาสนากับศาสนา ว่าพุทธศาสนานั้นเราเป็นเรื่องของธรรมชาติแล้วก็เป็นเรื่องของการที่มนุษย์จะพยายามพัฒนาตนเองประกอบด้วยคุณธรรมพยายามที่จะฝึกฝนในด้านคุณธรรมมีความเสียสะละแล้วก็ช่วยเหลือกันเองในหมู่มนุษย์ด้วยคุณธรรมแต่เรื่องของฮินดูนั้นเป็นเรื่องของเทพเจ้านะการหวังอานาจโดนบันดาน นี่เมื่อเราไปนับถือแบบของฮินดูก็นับถือเทพเจ้าก็ต้องหวังอำนาจโดนบรรดาลจากเทพเจ้าหวังอำนาจโดนบรรดาญจากเทพเจ้านี่ก็นำไปสู่ความเพ้อฝันอาตมาคิดว่าอย่างนั้นเพ้อฝันก็รอคอยอำนาจโดนบันดาญของท่านสิตัวเองก็ไม่ต้องคิดทำอะไรจะอะไรจะสำเร็จก็อยู่ที่ว่าเทพเจ้ามาบรรดาลให้ทีนี้ นอกจากว่ารอเท พ, พเจ้ามาบรรดาลให้เป็นการที่ฝันเพอ้อไปแล้วก็ทําให้มีเทพนิยายที่น่าตื่นเต้นสิ่งที่น่าตื่นเต้นเหล่านี้ก็เอามาเล่าก็ทําให้คลื่มใจแม้เวลาฟังเรื่องเท พ, พเจ้ายิ่งใหญ่นี่พนร้ายเก่งอย่างงาั้นพระอิศวรเก่งอย่างงั้นะก็คลื่นใจพอคลื่มใจทีนี้ก็ทําให้สบายใจไปแบบหนึง่งนะก็ให้ทำเป็นอย่างที่เคยพูดแล้วว่าเป็นเครื่องกล่อม กล่อมให้สบายใจไม่ต้องขนขวายไม่ต้องทําอะไรในแง่หนึ่งก็สบายใจแล้วว่าท่านจะมาช่วยก็นอนรอความหวังไปสองกอ็รู้สึกว่าท่านมีฤทธิ์มีอานาจเก่งขนาดนี้เราก็คลื่มใจในความเก่งของท่านเราก็เลยสบายไม่ต้องคิดขนขวายอะไรไม่ต้องดินน้นรนมันก็ปลอบใจตัวเองสบายไปทีไปทีหนึ่งดีเหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสังเกตเป็นหลักการที่พุทธศาสนาได้พยายามแก้ไขอย่างที่เคยพูดว่า อินเดียเนี่ยมีสภาพนี้มาตั้งแต่ก่อนพุทธกาลพระพุทธเจ้าประสูติขึ้นมาเราจะมาพูดไว้ที่ลุมพินีแล้วว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมานี่สั ญ, ญลักษณ์การประสูติของพระพุทธเจ้าก็คืออาสภิวาจาที่พระองค์ได้เปล่งขึ้นว่าอโคหมัสมิโลกัสะเป็ตนต้นว่าเราเป็นผู้เลิศแห่งโลกเราเป็นคู่เป็นใหญ่แห่งโลกเราเป็นผู้ประเสริฐแห่งโลก วาจาอันนี้เมื่อเรารู้ภูมิหลังของสังคมอินเดียเราก็บอกว่าเป็นวาจารประกาศอิสรภาพของมนุษย์เพราะพาระพุทธเจ้าเป็นตัวแทนของมนุษย์ที่ว่าแต่ก่อนนี้คนมุ่งแต่จะรอความหวังการโดนบรรดาลของเทพเจ้าพระพรหมผู้สร้างจะบรรดาทุกสิ่งทุกอย่างสร้างมนุษย์มาในวันณะสี่มนุษย์จะเป็นยังไงก็อยู่ใต้อำนาจโดนบรรดาลนั้น เราต้องอ่อนบอนเอาเอาใจเทพเจ้าด้วยการบูชายันวงสวงอะไรต่างๆนี่เพราะพระ เ, เจ้าก็ดึงประชาชนกลับมาบอกว่าให้มาดูความจริงของกฎธรรมชาติสิ่งทั้งหลายเป็นไปนตามเหตุปัจจัยไม่ใช่เป็นเพราะการโดนบรรดาลของสิ่งภายนอกนั้นให้เรารู้เข้าใจเหตุปัจจัยแล้วทําตามเหตุปัจจัยด้วยความเพียรพยายามของเราเมื่อเราต้องการผลก็ทําเหตุก็สร้างหลักธรรมะและหลักกรรมขึ้นมาอย่างที่ว่าไม่ใช่สร้างคือประกาศประกาศหลักธรรมและหลักกรรมขึ้นมา ก็พระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ประกาศอสิสรภาพให้แก่มนุษย์วาจาที่ใช้นั้นคือคําว่าเชิดโถนี่เดิมเขาใช้สำหรับพระพรหมนั่นเลยหมอคำแสดงคุณสมบัติของพระพรหมก็คือเชิดโถผู้เป็นใหญ่พระพุทธเจ้าเอาคํานั้นมาใช้สําหรับพุท ธ, ธคําว่าพุทธานี่ไม่ใช่หมายถึงตัวบุคคลนะเป็นคําแสดงภาวะของมนุษย์มนุษย์ที่ได้พัฒนาตนสูงสุดแล้วบรรลุความหลุดพ้นแล้ว เราเรียกว่าเป็นพุทธะพุทธะนี่เป็นเชิดโถนะเป็นผู้เป็นใหญ่เอาคํำคำว่าพรมมาใช้สําหรับพระพุทธเจ้าก็หมายความว่าพระพุทธเจ้าประกาศอิสรภาพให้แก่มนุษย์ให้มนุษย์นี่หันมากระทาการตามเหตุปัจจัยนะทําการต่งตางๆด้วยความเพียรพยายามของตนนี่ก็พอหลังพุทธการพอพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วศาสนาฮินดูเสื่อมแล้วพราหม์ก็เสียอํานาจไปเสดีพนเสียผลประโยชน์ ก็ได้ปรับปรุงพัฒนาตนขึ้นมาหลังพุทธกาลก็ได้เอาคําสอนในพุทธศาสนาเข้าไปใช้ในศาสนาฮินดูเช่นเอาหลักในธรรมบทอย่างในภระคัทธคีตาพระคัทคีตานี่เป็นคําพีสํานคัญของศาสนาฮินดูคําิี์ที่เขาถือว่าเป็นยอดถ้าเราไปตรวจ ด, ดูจะเห็นว่ามีพุทธพจน์ในพระธรรมบทนี้เข้าไปอยู่ด้วยแสดงว่าเขามาเอาฝ่ายคือหลักธรรมอะไรต่งตางๆที่ดีเอาไปายทีนี้ก็เป็นข้อสังเกตอาตมากําลังจะโยงที่ว่า ตอนที่ฮินดูมาสร้างถ้ำเหล่านี้ก็พอสเทลายลามากี้พูดว่าประมาณสักเกือบพันประมาณนั้นทีนี้เป็นไปได้ไหมระยะ น, นั้นคือยุคที่ฮินดูเขาฟื้นตัวนะ่ะเขาพยายามจะฟื้นสูงอํานาจแต่ฮินดูเขาฟื้นอํานาจมาทุกตอนแหละคืออาตมาย้อนหลังกลับไปเล่าก็เมื่อพุทธศาสนาจเจริญขึ้นมาพราหม์ก็เสื่อมอำนาจจกนกระทั่งหลังพุท ธ, ธกาในพุทธศาสนารุ่งเรืองมาก มายิ่งได้พระเจ้าอาโศกอุพถมด้วยพุทธศาสนาก็แพร่หลายไปทั่วหมดเลยถ้าแพร่หลายไปทั่วแต่พระเจ้าอาโศกเป็นชาวพุทธไม่เบียดเบียนศาสนาไหนให้ความคุ้มครองทั่วหมดพวกพราหมณ์ก็มาเป็นพวกอวมอาจในต่งางๆอยู่ในราชวังด้วยเมื่อพระเจ้าอาโศกสวรรคตรล่วงไปถึงหลานหรือเหลนนี่พวกพราหมณ์ที่อยู่ในราชวังก็ได้คิดการใหญ่ได้จับหลานหรือเหลนพระเจ้าอาโศกลงประชนแล้วก็ตั้งราชวงศ์ใหม่ ชื่อร า, าชวงศ์สงฆะขึ้นครองอำนาจราชวงศ์สงฆ์ของพราหมณ์นี้ได้ล้างผลาญชาวพุทธถึงการมีประวัติศาสตร์ว่าให้ฆ่าหัวชาวพุทธอเอากัรขนาดนั้เนเลยคือกาจัดชาวพุทธเป็นการใหญ่แต่พอดีว่าชาวพุทธรอดมาได้เพราะว่าอะไรเพราะหลังพระเจ้าโศกมาถึงรุ่นหลานเหลนแล้วราชวงศ์สงฆ์ตอนนี้ไม่สามารถรักษาอาณาจักรทั้งหมดไว้ได้ อาณาจักรของพระเจ้าโศกนั้นยิ่งใหญ่ไพศาลมีอาณาเขตมากกว่ า, ายุปัจจุบันอีกนี้พอสิ้นพระเจ้าอโศกไปไม่นานอนาณาจักรเหล่านี้ก็ค่อยๆแตกสลายอาณาจักรอื่นๆก็ยังรักษาพุทธศาสนาไว้อยู่ดังนั้นพวกราชวงศ์สงคราก็ไม่สามารถจะมีอำนาจไปทั่วดินแดนเก่าของพระเจ้าอโศกเราจะเห็นว่าอย่างดินแดนของพระเจ้าเมนันเดอร์ที่ต่อมาที่เราเรียกว่าพระเจ้ามิลินทะเป็นพวกเชื้อชาติปลีกก็ยังเป็นชาวพุทธอยู่ที่ ต่อมาก็ดินแดนพวกสืบสายจากปกีกนี่แหละที่ทราบพุทธลูกขึ้นมาเป็นพวกแรกอ้านี่ยตามาย้อนไปกลับไปพูดถึงเรื่องเก่าว่าพราหมณ์เขาจะมีอานาจขึ้นมาก็ใช้อิทธิพลการเมืองด้วยแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือหลักคําสอนก็ปรับปรุงมาเอาคำสอนในพุทธศาสนาไปใช้แล้วปรับตัวขึ้นมาเราเรียกศาสนาพราหมณ์ที่ปรับตัวใหม่นี้เรียกศาสนาฮินดูพราหมณ์กับฮินดูจึงเรียกแทนกันได้เป็นศาสนาเดียวกัน แต่เรามักจะเรียกศาสนาพราหมณ์คือศาสนาเดิมและศาสนาพราหมณ์ที่ปรับตัวใหม่แล้วเรียกว่าศาสนาฮินดูนั้นศาสนาฮินดูนี่เป็นคําเรียกศาสนาพราหมณ์หลังพุทธการแล้วก่อนพุทธการไม่เรียกว่าฮินดูอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตอันหนึ่งนั่นเลยก่อนก็ถ้าพูดไปในแง่หนึ่งเหมือนกับฮินดูนี่เกิดหลังพุทธศาสนาคือศาสนาพราหมณ์ที่ปรับตัวนี่ต่อมาในตอนพศระยะนี้พันกว่าเนี่ยก็มีบุคคลสําคัญคนหนึ่งในศาสนาฮินดูเกิดขึ้นชื่อว่าสังกัรยจารย์ สังฆราชอาจารย์ผู้นี้อาจจะได้มาปลอมบวชคือมาบวชนั่นแหละนะแล้วก็ไปศึกษาที่นารันทาแล้วก็มาเรียนแบบของพุทธศาสนาทั้งคําสอนและก็ระบบการสถาบันด้วยคือสังฆราชจารย์นี่ได้ไปตั้งคณะสงฆ์ฮินดูขึ้นในศาสนาพราหมณ์นั้นเดิมเขาไม่มีนักบวชแบบของเรานักบวชเป็นพราหมณ์อยู่บ้านเขามีลูกมีเมียครองเรือนพราหมณ์นั้นอยู่บ้าน ทีนี้พอมาถึงสังกราจานี้ได้ตั้งคณะสงฆ์ของฮินดูขึ้นมาได้ตั้งให้สร้างวัดให้เรียนแบบพุทธศาสนาขึ้นอันนั้นคําสอนก็ให้เรียนคล้ายๆกันแล้วก็มีสถาบันมีวัดมีคณะสงฆ์ขึ้นมาคล้ายๆพุทธศาสนาด้วย น, นี้อาตมาเคยเล่าที่นารันธาแล้วว่าพุทธศาสนายุคหลังนี่พอเจริญมากขึ้นก็ไปรวมตัวกันที่ศูนย์กลางใหญ่ๆเช่นที่หมหาวิทยาลัยนารันทาเป็นต้น ได้รับการอุปถัมภ์จากญาติโยมจากมหากษัตริย์ก็มวแต่ไปยุ่งการเรื่องภายในของตัวเองขาดการสัมพันธ์กับประชาชนและชนบทก็อ่อนแออันนี้ก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ว่าเมื่อวัดพุทธในชนบทอ่อนแอก็พวกชินดูก็เข้าครองแล้วก็คล้ายๆกันอยู่แล้วก็อาจจะเข้ามาช่วยมาทําหน้าที่แทนบ้างอะไรบ้างต่อมาก็กลืนหมดไปในพุทธศาสนามาอยู่ในเมืองใหญ่ๆต่อมาพอมุสลิมยกทัพมากําจัดก็ฆ่าที่ศูนย์กลางหมด ชนบทไม่มีเหลือก็เลยหมดกำลังอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของความเสื่อมสูญกับพุทธศาสนานี่ก็ขอย้อนกลับมาพูดถึงว่าเมื่อสังกัรจารา์ได้ตั้งคณะสงฆ์อะไรตะลายเรียนแบบพุทธศาสนาแล้วก็ถ้ำของฮินดูนี่สร้างขึ้นในพศช่วงพั0สจะเป็นไปได้ไหมเป็นช่วงที่ฮินดูได้ทำแบบเรียนแบบพุทธศาสนาแล้วนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ว่าเป็นเพียงข้อสันนิษฐานนั่นเลยบอลว่าอาจจะเชื่อมโยงกันได้แต่ว่า เมื่อสร้างขึ้นมาแล้วมันก็เป็นเทวสถาน <S <S เทวไล <S 1> <S 1> เป็นที่อยู่ของเทวดาไปซึ่งเราจะเห็นได้ชัดที่ถ้ำไกรลาดมันไม่ใช่ที่อยู่ของคนและวตัดเขาออกมาไม่เหมือนเดิมและเดิมนี่นเป็นถ้ำเจาะเข้าไปมีถ้ำก็คือข้างบนมันก็ยังเป็นภูเขาอยู่แล้วก็จะได้เป็นหลังคาทีนี้ที่ไกรลาดเนี่ยมันไม่ใช่เป็นถ้ำแล้วใช่มล่ะเจาะลงมาเลยให้สว่างเป็นฟ้าเป็นเทวไลอยู่กลางในภูเขาไปเลยมันคนละลักษณะแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปหมดเลย เนี่ยความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตอาตอมาก็จะขอยกไปพูดถึงเชนบ้างอันนี้ก็พูดถึงเทียบกับฮินดูนิดหน่อยทีนี้ทางฝ่ายาศาสนาเชนาศาสนาเชนของมหาวีระนั้นเขาเป็นาศาสนาที่มีมาแต่พุทธกาลเหมือนกันเกิดนียกว่าอาจจะก่อนพระพุทธเจ้านิดหน่อยนี้าศาสนาเชนนี้ก็ เดิมก็ไม่เห็นมีเรื่องมาอยู่ถ้ำแบบนี้อยู่ๆก็มาโผล่แต่นี้เทนนั้นมีลักษณะอย่างหนึ่งเขาเรียกว่านิครนธาตบุตรคําว่านิครนนั้นแปลว่าไม่มีกิเลสเครื่องผูกรัดไม่มีกิเลสผูกรัดหมายความว่าไม่ยึดถืออะไรทั้งสิน้นไม่มีกิเลสไม่มีความยึดถือไม่ยึดติดถือมั่นในสิ่งทั้งหลายแม้แต่ผ้าก็ไม่ต้องนุ่มอันนั้นพกเชนและนิครนนี่ <ytt ips> เขาถือว่าเขาไม่ยึดติดถือมั่นในอะไรเขาก็เลยไม่นุ่งผ้าเพราะว่านุ่งผ้าก็แสดงว่ายังยึดติดถือมั่นในอะไรอีกใช่ไหมนี่เขาสละกความยึดติดถือมั่นถึงขนาดไม่ต้องนุ่งผ้าเลยไอ้เ น, นี้ยเพราะฉะนั้นศาสดามหาวีระลรเฉนนั้นก็ไม่นุ่งผ้านี้ถ้ำของเฉนนั้นก็สร้างแบบของพุทธเหมือนกันรูปของมหาวีระนั้นเหมือนพระพุทธรูปเลยชาวพุทธมาไม่รู้จักแยกนะั้นนึกว่าเป็นพระพุทธรูปเหมือนกันหมดทุกอย่าง มีอย่างเดียวที่ต่างคือไม่หนุ่มผ้าวันนั้นถ้าไปที่ถ้ำเชนเนี่ยเสดายโยูไม่ได้ไปคือว่าไม่ได้เห็นรูปมหาวีระหรือนิพนธ น, ตนัตบุตรที่ว่าเหมือนพระพุทธรูปเลยแต่ว่าไม่หนุ่มผ้าศาสนานี้ก็แปลมีลักษณะอย่างนี้คือว่าถือว่าตนเองเนี่ยไม่มีความยึดติดถือมั่นในอะไรทั้งสิน้นปล่อยวางทั้งหมดแม้แต่ผ้าก็ไม่นุ่มทีนี้มารุ่นลูกศิษย์ก็ได้แตกเป็นสองนิกายเพราะอีกนิกายหนึ่ง เห็นจะไม่ไหวไม่นุ่มผ้าก็เลยนุ่มผ้าขึ้นมาเป็นนุ่มผ้าขาวเกิดเป็นสองนิกายนิกายหนึ่งเป็นที่คําพรนุ่มลมผมฟ้าและอีกนิกายหนึ่งสเสวตตำพรนุ่มผ้าขาวอย่างที่เราไปเห็นที่สาธวีที่นารันทาน่ยที่เป็นนั่งในพิธีที่จะมาไปอยู่นั่นแนหะเป็นผู้หญิงสองคนนะ่ะเป็นนักบวชของนิครณธ น, นตัตบุนักบวชนิกายเสเวยตำพรนุ่มผ้าขาวไม่ถึงกับแก้ผ้า อันนี้ก็เป็นเรื่องของศาสนาเชนนี่านาเชนก็มาสร้างถ้านี้ด้วยในยุคหลังๆที่บอกเมื่อกี้ว่าประมาณสักพศ1 3 0 0อะไรขึ้นมาพัน0เนี่ยที่นันนี้อันนี้ก็มีคติอย่างหนึ่งที่เราให้มาพิจารณาว่าพุทธศาสนานี้เราก็บอกไม่ยึดติดถือมั่นเหมือนกันศาสนาเชนเ็ไม่ยึดติดถือมั่นอยู่อย่างธรรมชาตินในขนาดที่มนุภาพแต่พุทธศาสนานี่เราเป็นมวชิมาปฏิปทาทางสายกลาง ความม่ยุติดถือมั่นนั้นหมายถึงโดยจิตใจที่เป็นอิสระไม่เป็นธาตุของวัตถุของสิ่งทั้งหลายแต่ด้วยปัญญาที่รู้เข้าใจความจริงนั้นก็รู้เหตุรูปผลในสมมติปฏิบัติต่อสมมติให้ถูกต้องปฏิบัติต่อสมมติด้วยความรู้เท่าทันทำไปตามเหตุผลและในพุทธศาสนาจะมีลักษณะที่เต็มไปได้วยความรับผิดชอบอย่างที่อาตมาได้เคยพูดบททีหนึ่งแล้วว่า ความไม่ยึดมั่นถือมัน่นไม่ใช่หมายความว่าไม่เอาเรื่องเอาเราวอะไรดังนั้นถ้าเราศึกษาพระพุทธศาสนาให้ครบเนี่ยเราจะเห็นได้จากด้านพระวิ น, นัยว่าพุทธศาสนาที่แท้เป็นอย่างไรถ้าเราไปศึกษาในแง่ธรรมะแล้วเราไม่รู้จริงเราจะมองไปว่าพุทธศาสนาโอ้ธรรมะสอนว่าอะไรแต่อะไรก็ไม่เถียงเป็นทุกข์เป็นอ น, นัตตาไม่ควรยึดมัน่นถือมัน่นปล่อยวางไม่เอาเรื่องเอาเราวอะไรแต่อะไรก็เป็นไปตามธรรมดาของมั น, นก็เรียกว่าไม่ยึดติดถือมัน่น บางทีไปศึกษาธรรมะอย่างเดียวพลอยโน้มเอียงไปทางนั้นไม่มีเครื่องเตือนสติแต่พอมาศึกษาพระวินัยแล้วจะเห็นชัดเลยพระวินัยนี่อย่างที่ธรรมาพูดและชีวิตของพระซึ่งจะต้องเป็นแบบอย่างหมายความว่า<ป>ชีวิตของพระนี่อยู่ตามวินยัยเอาอะไรเป็นแบบก็เอาชีวิตของท่านผุรุษพ้นนั่นแหละเป็นแบบแวินัยก็แสดงถึงความมุ่งหมายว่าการดําเนินชีวิตของพระที่เป็นอยู่ในโลกนี่เป็นอย่างไร คือการยอมรับความจริงของสมมติอย่างพระมีจีวรก้อนสามผืนนะแต่ว่าท่านต้องมีความรับผิดชอบในสิ่งที่ท่านเกี่ยวข้องพระนี่แม้จีวรจะขาดถ้ามีรูโว่เท่าหลังตัวเลือดปล่อยไว้ไม่ประชุนต้องอาบัตมีความผิดนี่ความรับผิดชอบขนาดไหนเลย่อนันตรงข้ามเลยใช่ไหมถ้าเราไปนึกว่า ไม่เอาเรื่องเอาลาวไม่ถึงยึดมั่นถือมั่นอจีวรจะเป็นยังไงก็ช่างมันสกปรกก็ช่างมันมันจะขาดจะผุตมาว่าคนอินเดียถ้าจะมายึดมั่นถือมั่นอยู่ง่ายนะยังไงก็ได้นะมันจะขาดยังไงมันจะสกปรกยังไงช่างแต่ว่าวิเนัยของพระนี่ไม่ได้เลยอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้แม้แต่ขาดรูโบเพียงหลังเลือดไม่รีบปะชุนต้องอาบัดมีความผิดปล่อยไม่ได้สกปรกไม่ได้เลย เดี๋ยวจะเห็นว่าไอ้พระองค์ไหนสกปรกแม้แสดงว่าท่านมายึดมันถือมันแล้วก็เลยเลื่อมใสไปใหญ่ไปกันใหญ่นี่แหละทรเอวินัยจึงคู่กันในพุทธศาสนาไม่ยอมรับการปฏิบัติของเชที่ว่าเออไม่นุ่งผ้าและแสดงความไมา่ยึดมันถือมันแต่พุทธศาสนาบอกว่าเราต้องเข้าถึงความจริงของสิ่งทั้งหลายแต่ว่าเรามีใจเป็นอิสระไม่ตกเป็นทาสของวัตถุเหล่านั้นแต่ว่าเรายอมรับ ความจริงโดยเหตุผลว่าสิ่งที่มนุษย์ได้วางกันเป็นสมมตินี้ก็เป็นไปตามความมุ่งหมายในการใช้ประโยชน์ในสังคมนะต้องปฏิบัติไปตามเหตุผลได้ปัญญาเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ก็กลายเป็นผู้นำในการที่ปฏิบัติตามสมมติกลายเป็นว่าพระอรหันต์เนี่ยถือสมมติสําคัญเลยเอาจริงเอาจังกับเรื่องสมมติแต่รู้เท่าทันเพราะสมมตินี้เป็นเรื่องสําหรับรู้เท่าทันและปฏิบัติด้วยความรู้เท่าทันแต่ไม่ใช่หมายความว่าเป็นสิ่งเลวไหล หลายท่านยังเข้าใจสมมติเป็นเหลวไหลไปอ่าอันนี้ก็จะนอกออกไปหน่อยอันนี้เป็นการเทียบเรื่องคำสอนในพุทธศาสนากับศาสนาฮินดูแล้วก็ศาสนาเชตถ้ามองในแง่นี้แล้วก็เหมือนกับเป็นสุดต่งสองอย่างของศาสนาฮินดูก็คือพวกสุภูนัชฌุรพวกไม่เอากับธรรมชาติเลยพวกนี้ก็ถือว่ามีแต่เทวดายิ่งใหญ่เหนือธรรมชาติบรรดาทุกอย่างได้เอาอะไรก็ได้ไม่ต้องเป็นไปนตามเหตุปัจจัย แล้วแม้จะมีเรื่องสัตว์อยู่บ้างนะสัตว์เหล่านั้นไม่มีสัตว์ธรรมดาสัตว์เหล่านั้นจะเป็นภานะของเทพเจ้าอะไรต่างๆเหล่านั้นไม่ใช่สัตว์ธรรมดาไม่ใช่ชีวิตที่อยู่กันในท่ามกลางธรรมชาตนะิที่มีความสัมพันธ์กับมนุษย์แบบคุณธรรมอะไรต่างๆไม่มีไปคนละแบบไปเลยนี่เป็นความแตกต่างในแบบที่ว่าศาสนาฮินดูนั้นก็ไปเลยเหนือธรรมชาติไป ส่วนพวกเชนนั่นะก็บอกว่าฉันอยู่ตามธรรมชาติกลายเป็นว่าไม่เอาเรื่องเอาราวไปเลยปล่อยตัวไปไปจนกระทั่งไม่นุ่งผ้าไปเลยพุทธศาสนานี่ถ้ามองในแง่เทียบกับสองศาสนานี่ก็เห็นความเป็นทางสายกลางแบบง่ายๆอย่างหนึ่งแต่ที่จริงมีความหมายที่ลึกซึ้งลงไปอีกเนี่ยตามาก็ยกมาให้ดูนี่หลักการของพุทธศาสนานที่พูดมาในตอนนี้นั้นก็ขอย้ำทวนไปถึงหลักการที่พูดมาอีกครั้งหนึ่ง เราจะเห็นหลักการพุทธศาสนาเมื่อเทียบกับศาสนาฮินดูและเชนแลน้วเนหนึ่งก็คือพุทธศาสนานี้ให้อยู่กับความเป็นจริง1ก็อยู่กับความเป็นจริงให้ดาเนินชีวิตด้วยปัญญาที่รู้เข้าใจถึงความจริงของธรรมชาตินั้นที่เป็นไปตามกฎของมันคือความเป็นไปตามเหตุปัจจัยแล้วก็ปฏิบัติไปตามเหตุปัจจัยด้วยความมีเหตุมีผลอันนี้เราเรียกว่าตัวธรรมะใช่มล่ะธรรมะคือความ ตัวหลักความจริงกฎธรรมชาติความเป็นไปนตามเหตุปัจจัยพุทธศาสนานี้ให้อยู่กับตัวธรรมะอยู่กับความเป็นจริงไม่หนีความจริงมาอยู่นอกเหนือธรรมชาติทีนี้สองก็ให้หวังผลจากการกระทําด้วยความเพียรเพญย า, ยามไม่ใช่มัวหวังจากการโดนบรรดาลของเทวด า, ยาอันที่หนึ่งนะของเขานั้นของคิน ด, ดูนั้นเขาอยู่กับสิ่งที่เหนือธรรมชาติแต่ของพุทธศาสนาเนี่ยอยู่กับ ความเป็นจริงอธรรมชาติเรียกว่าธรรมะอันที่2นี่ของเขาหวังผลจากการโดนบันดาลของเทพเจ้าผู้มีอิจิลิปารติหารของพระพุทธศาสนานั้นให้หวังผลจากการกระทําด้วยความเพียรพยายามเราเรียกว่าหลักกรรมหลักกรรมแล้วพระพุทธศาสนาจึงเรียกว่าเป็นกรรมวาถวิริยะวาทพระพุทธเจ้านั้นมีพนามเรียกว่ากรรมวาทีวิริยะวาทีผู้ถือหลักกรรมคือการกระทําและถือหลักความเพียรและก็สอะไร 3ก็ให้มนุษย์นี่ฝึกฝนพัฒนาตนเองจนกระทั่งสามารถพึ่งตนเองได้ให้มีคุ ณ, ณสมบัติมีความพร้อมมีความมีพฤติกรรมดีงามมีจิตใจที่มีความเจริญงอกงามขึ้นม า, ามีความสามารถมีความสุขเป็นต้นแล้วก็มีปัญญาที่รู้เข้าใจความจริงรู้เข้าใจตัวธรรมะแล้วก็จะสามารถพึ่งตนเองได้ก็พัฒนาฝึกฝนพัฒนาตนเอง ให้ฟื้นตัเองได้เราเรียกว่าหลักสิกขาแล้วก็สก็คือว่าพุทธศาสนาถือว่ามนุษย์ที่พัฒนาแล้วนี่แหละจะมาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมมนุษย์ที่ดีงามขึ้นมาช่วยกันเองได้ดีที่สุดดีกว่าที่จะไปรอให้เทพเจ้ามาช่วยหมายความมนุษย์เราเองเนี่ยที่มาพัฒนากันให้ดีแล้วเนี่ยพวกเราจะช่วยกันได้ดีที่สุดจะช่วยสรรพสัตว์ให้พ้นจากทุกได้ ไม่ต้องอาศัยอำนาจของพระพรหมของเทพเจ้าก็เป็นระบบการยานนมิตรการยานามิตรก็มาเป็นสังคมของคนที่พัฒนาแล้วก็คือสังขะนั่นเองแล้วระบบสังขะเนี่ยก็เป็นระบบของการที่ถือว่ามนุษย์เราพัฒนากันดีแล้วมนุษย์เรานี่แหละจะช่วยกันเองได้ดีที่สุดอย่ามองไปหวังเทพเจ้ามนุษย์มนุษย์ที่ไปนับถือเทพเจ้าต่างกลุ่มต่างพวกนับถือเทพเจ้าคนละองและเสร็จแล้วกลับมาทำลายกันเองใช่ไหม นะมนุษย์มาทำลายกันเองเกียดเกลียล้างผลาญกันเองเพราะนับถือเทพเจ้าคนละองค์แม้แต่นับถือเทพเจ้าองค์เดียวกันก็ยังแบ่งกันและทำลายกันอีกนะพวกนี้บอกว่าเอ้ยพวกฉันนะเป็นที่โปรดของเทพเจ้าของเรานะอีกพวกหนึ่งไม่ได้รับการโปรดหรืออีกนิกายหนึ่งก็ว่าอีกนิกายหนึ่งเป็นพวกทรยศต่ตอพระเจ้าแล้วเสร็จแล้วก็ล้างผลาญลบกันเสร็จแล้วมนุษย์ก็ มารบ ก, กันทําลายกันเพราะเทวดาเพราะไปนับถือเทวดาคนละองหรือนับถือคนละแบบอย่างนี้เป็นต้นแต่พุทธศาสนานี้บอกว่าให้มนุษย์พัฒนากันเองพัฒนามนุษย์ด้วยการมนุษย์ที่พัฒนาแล้วนี่แหละจะช่วยกันเองได้ดีที่สุดทําไงเราจะให้มนุษย์เนี่ยมาพัฒนาแล้วก็มาช่วยกันเองมันจะดีกว่ามูวไปหวังเทพเจ้าแล้วเสร็จแล้วมาฆ่ากันเองใระหว่างมนุษย์อันนี้ก็เป็นหลักการพุทธศาสนา ซึ่งก็มารวมประสานกับหลักพระรันตนไตยที่พูดไปแล้วเน่ย <Okay. S 1> ด้วยการเข้าถึงธรรมะที่มีอยู่ตามธรรมดา <Okay. S 1> ก็จะทําให้เกิดพุท ธ, ธมนุษย์พัฒนาไปพุทธเึ้นมา <Yeah. S 1> พุท ธ, ธนี่เป็นผู้เข้าถึงธรรมะธรรมะในข้อหนึ่งที่ว่าเป็นหลักการแห่งความเป็นจริงตามเหตุปัจจัยกฎธรรมชาติและมนุษย์พัฒนาตนเองก็กลายเป็นพุท ธ, ธ mm hmm. ก็มาสร้างสังคมที่เป็นกาลยานามิตรขึ้นมาเป็นสังฆะเนี่ยเรียกหรอ เป็นสังคมที่มนุษย์พัฒนาแล้วก็มาช่วยเหลือกันเองได้ดีที่สุดเป็นการยานมิตรแก่กันนี่เป็นหลักของพุทธศาสนาที่เราไม่ควรจะละทิง้งนะแต่ความเข้าใจเรื่องพระราตนตรัยเนี่ยถ้าไม่มองเห็นหลักเรื่องเหล่านี้แล้วบางทีก็มองลางเลือนมากเดี๋ยนี้ความหมายของพระรัชนตรัยก็ไม่ค่อยเข้าใจกันว่าอย่างไงก็นับถือเป็นแบบอะไรเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรจะอะไป ทีนี้เรื่องความนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มีข้อหน้าพิจารณาอีกอย่างหนึ่งคือเมื่อกี้นี้บอกแล้วว่าการที่เราไปนับถืออย่างพวกเทพเจ้าอะไรต่างๆหวังผลจากการโดนบรันรดาลของเทพเจ้าเหล่านั้นท่านมีฤทธิ์มีอํานาจเหล่านี้มันก็ทําให้รู้สึกว่าสบายใจดีเหมือนกัน <Yeah. S 2> เคยบอกว่าเป็นเครื่องกลมสิ่งกล่อมใจนี่ความจริงก็ไม่ใช่เสียไปทั้งหมด ในพุทธศาสนาเองก็มีเครื่องกล่อมแต่ละขั้นละขั้นแม้แต่สมาธิเองก็เป็นเครื่องกล่อมชนิดหนึ่งแต่ทำอย่างไรเราจะใช้เครื่องกล่อมอย่างรู้เท่าทันและไม่ให้เกิดโทษเครื่องกล่อมนี่กล่อมแล้วมันทำให้สบายใจมันก็อุ่นใจขึ้นมาเพราะอุ่นใจขึ้นมาแล้วมันจะเสียตอนที่วันเราก็นอนใจพออุ่นใจแล้วสบายใจก็นอนใจทีนี้มันไม่ใช่นอนใจอย่างเดียวกายมันก็จะนอนด้วย คือไม่ได้หล่นขนขวายนี้ถ้าหากว่าความนับถือเชื่อถือในสิ่งเหล่านั้นแม้เป็นสิ่งกล่อมแต่ไม่ใช่กล่อมอย่างเดียวมันปลุกใจด้วยทําให้มีกําลังใจเข้มแข็งและเพียรพยายามทําการจริงๆอันนี้ท่านไม่ว่าสําหรับมนุษย์ที่อยู่ในระดับผู้สื่ชนยังต้องการสิ่งที่มาหล่อเลี้ยงจิตใจคืออย่าให้เสียหลักกรรมก็แล้วกันการนับถือสิ่งที่เรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นถ้าตราบใดยังไม่เสียหลักกรรมแล้วยังไม่ตกจากพุทธศาสนา แต่ถ้าผิดหลักกรรมเมื่อไรก็หลุดจากพุทธศาสนาทันหลักกรรมนี้เป็นหลักตัดสินสำหรับมนุษย์เพราะว่ากรรมนี่เป็นตัวธรรมะที่โยมหมหามนุษย์ที่ว่าไม่เสียหลักกรรมอย่างไรคือถ้าเราไปเชื่อเช่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเราหวังผลจากการโดนบันดาลไม่เพียรพยายามกระทำการตามเหตุปัจจัยไม่กระทำการนันนั่นคือเสียหลักกรรมถ้า เชื่อถือแล้วทําให้มีความมั่นคงในการกระทํามีการทําการเข้มแข็งยิ่งขึ้นมันก็ยังไม่หลุดไปจากหลักกรรมคือยังหวังผลจากการกระทําถ้าอะไรเลิกหวังผลจากการกระทําไปหวังผลจากการโดนบันดาลการอ้อนวอนนอนรอคอยนั้นก็เป็นอันว่าไม่ไม่ถือหลักกรรมแล้วถ้ายังหวังผลจากการกระทําด้วยความเพียพยายามก็ยังมีหลักกรรมอยู่อันนี้เป็นตัวตัดสิน ท, ที่สําคัญเราะนั้นชาวพุทธบางทีเรา นับถือแม้แต่พระราชนทรายแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะว่ายังเป็นปุถุชนอยู่พอให้มีอะไรมาเป็นเครื่องรวมใจคือปุถุชนนี่จะมีลักษณะอ่อนแออย่างหนึ่งคือจิตใจถ้าไปเจออะไรเข้านะที่มันน่าตื่นตระหนกหวาดกลัวเป็นต้นแล้วใจมันจะเสียสมาธิมันจะพล่ามันจะกระวนกระวายใจมันจะรวมไม่ติดเลยทีนี้ถ้าใจมันรวมไม่ติดมันไม่ตั้งมั่นขึ้นแล้วมันก็เสียสิทําอะไรก็ไม่ได้ผล มันกระวนกระวายทุรนทุรไล์กระสับกระส่ายมันทำอะไรไม่ได้เพราะนั้นต้องหาอะไรมาช่วยรวมใจพอรวมใจให้ตั้งเป็นศูนย์รวมได้พอตั้งตักตั้งหลักตั้งตัวได้มีสมาธิขึ้นมาก็เริ่มทำการได้อันนั้นถ้าสิ่งใดมาช่วยให้จิตมันรวมได้มันก็ยังพออาศัยแต่ว่าขออย่างเดียวคืออย่าให้กล่อมจงกระทั่งว่าอุ่นใจแลนอนใจแล้วก็เลยนอนรอบถ้าอย่างนั้นลก็ผิดแน่ ใ น, นถ้าหากว่ามันรวมใจให้มีกําลังแล้วเสร็จแล้วเราก็เลยยิ่งมีกําลังใจในการกระทําการด้วยความเพียรมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เรียกว่าไม่เสียหลักกรรอันนี้ก็พูดนอกออกไปนิดหน่อยก็รวมความก็คือพุทธศาสนานี่เราไม่ควรจะทิ้งหลักการสําคัญ4ประการที่สมมาพูดไปก็หนึ่งตัวธรรมะนี่เป็นหลักใหญ่เลยที่เคยพูดไปแล้วพุทธศาสนาพระพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นสิ่งแรกที่พระองค์กระทําก็คือดึงจากเทพสู่ธรรม ดึงจากการมองไปที่ปัจจัยภายนอกสิ่งที่เหนือธรรมชาติคือเทพเจ้าที่จะมาดนบันดาลให้มองมาที่ตัวความจริงของธรรมชาติที่เป็นไปนตามเหตุปัจจัย mm hmm. แล้วก็แทนที่จะฝังผลจากการไปอ้อนบออนก็ให้มากระทําการด้วยความเกลียดในยอยางจึงบอกว่าหลักที่1คือตัวธรรมะตัวความจริงของธรรมชาติหลักที่สองคือกรรมคือการกระทําของมนุษย์ด้วยความเกลียดและหลักที่สาเพื่อให้กระทําการได้ผล แล้วเป็นไปนตามเหตุปัจจัยด้วยความรู้ธรรมะก็ต้องพัฒนาคนขึ้นมาก็เป็นศิษขาเป็นข้อที่สแล้วก็เมื่อมนุษย์พัฒนาได้ศิษยาขึ้นมาแล้วมนุษย์ก็จะมาเป็นกาลยานามิตรกันและช่วยกันสร้างสารรคสังคมที่ดีงามขึ้นมาได้เนี่ยหลักการอันนี้น เ, นเดิมแต่ว่ามันชาพุธเราถ้าไม่มั่นเราก็จะเยียงแล้วก็จะพลาแล้วก็จะขวอยออกไปได้เนี่ยตมาวันนี้ก็เลยยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดย้ำึ้นไว้อีกครั้งหนึ่ง ก็ถือว่าเรื่องถ้ำอชันตาเอโนล่ลานี่ก็มีคติธรรมที่สําคัญในธรรมนองที่กล่าวมานนี้ในความเสื่อมความจเจริญพุทธศาสนาก็อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้ด้วยแต่อย่างน้อยเราก็ควรจะทราบความแตกต่างระหว่างพุทธศาสนาศาสนาฮินดูนี้ในเรื่องเหล่านี้ก็มีสิ่งที่ซ่อนอยู่อย่างที่พูดไปแล้วว่าพุทธศาสนายุคแรกนี่เป็นเทรวาตแล้วก็ต่อมายุคหลังเป็นมหายาน สิ่งที่จะเห็นได้ชัดในระหว่างพุทธศาสนาเทวราชกมภายานหนึ่งก็คือว่าในพุทธศาสนาเทวราชยุคแรกนั้นไม่มีพระพุทธรูปในสมัยพระเจ้าโศกมหาราชนั้นไม่มีพระพุทธรูปเพราะว่านับถือมากคือชาวอินเดียแต่โบราณ น, นั้นนับถือพระพุทธเจ้ามากจนไม่กล้าสร้างรูปไม่ใช่หมายความพลังเปียดรูปหรืออะไรนั่นเลยก่อนคือว่าเคารพมากจนไม่กล้าสร้างรูปทีนี้เกิดมีประเพณีของพวกปริ่ กรีกที่สืบสายมาจากพระเจ้าเล็ก克นเดอร์แม่ทัพต่างๆที่พระเจ้าเล็克斯เดอร์ทิ้งไว้แล้วมาเป็นมหากษัตริย์ปกครองดินแดนถิ้งแคว้นต่างๆในอินเดียสืบกันมา<โ>พวกกรีกพวกหนึ่งก็มีความนิยมมาจากแนววัฒนธรรมเดิมของตนเองในการสร้างรูปเคารพสร้างรูปปั้นอะไรต่างๆก็เลยสร้างพระพุทธรูปขึ้นมาก็ประมาณกับว่าในราวพศ .500 ก็เริ่มมีการสร้างพระพุทธรูปขึ้นมาตามแบบกรีกทีนี้ ถ้ำของเทรวาต น, นเมื่อกี้นี้บอกแล้วว่าสร้างประมาณพศ 350- ถึง500หรือ550ในยุคนั้นก็เริ่มตั้งแต่ยังไม่มีพระพุทธรูปก็มีแต่พระศิลป์มาตอนหลังๆนี่พอถึงยุคมหญญายานก็มีพระพุทธรูปชัดเจนแต่นี้ยังไม่สําคัญเท่าไหร่เพราะว่าเทรวาตเดียวนี้เราก็มีพระพุทธรูปเหมือนกันแล้วเรายังมีตำนานด้วยว่าแม้แต่สมัยพระพุทธเจ้า ก็มีการที่ว่ามีตำนานภายหลังนั่นเลยเพราะไม่ใช่ตำนานของเก่าแท้ที่ว่ามีการสร้างพระพุทธรูปแก่นจันตั้งแต่พระพุทธเจ้ายัางอยู่อะไรเนี่ยแต่ถึงแม้ไม่มีพระพุทธรูปก็มีสิ่งที่เป็นอนุสรณ์เป็นเครื่องเตือนใจเป็นที่ระลึกแทนพระพุทธเจ้าที่ต้นโพเป็นต้นอย่างตอนพระพุทธเจ้าไม่อยู่ที่พระเชตวันอนาธรรมปีเกเศรษฐีก็คิดถึงพระพุทธเจ้าก็จะทํำยังไงดีจะได้ มีอะไรเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าเป็นองค์แทนไว้พระอานนุ์ก็เลยได้ปลูกต้นโพขึ้นต้นหนึ่งต้นโพนั้นอยู่ที่ประเจตวันเรียกว่าอานันทโพธิต้นโพของพระอานุ น, นสาหรับได้เป็นเครื่องระลึกแทนองค์พระพุทธเจ้าแต่ว่าคตินี่ที่สําคัญก็คือเรื่องที่มีพระโพธิสัตว์เรื่องพระพุทธรูปยังไม่สําคัญเท่าไหร่อันนั้นเป็นเรื่องประวัติศัสตร์เท่านั้นเพราะว่าชาวพุทธเถรวาสก็มี พ, พุทธรูปได้ แต่นี้ที่สําคัญก็คือคติโพธิสัตว์ที่โยมไปทุกถ้ำของมหาญาณจะมีพระโพธิสัตว์เป็นเหมือนองค์ครักษ์อยู่สองข้างแล้วก็โดยทั่วไปจะมีองค์ขวาเป็นอะไรเป็นปัตถมัปานีองค์ซ้ายเป็นวชิระปานีที่ว่าปัตถมัปานีก็แปลว่ามีดอกบัวอยู่ในมือปานีแปลว่ามือแล้วก็ปัตถุมะหรือปัตถมะก็แปลดอกบัวปัตมปานีก็แปลว่ามีมีดอกบัวอยู่ในมือ แล้วก็วัชรปานีก็แปลว่ามีวัชระวัชระก็คือสายฟ้าอยู่ในมืออันนี้ก็เป็นพระโพธิสัตว์สององค์ที่เป็นเหมือนองค์รักษอยู่พระพุทธเจ้าคติพระโพธิสัตว์นี่แหละที่เป็นเรื่องที่น่าสังเกตและเป็นเรื่องที่สนนิษฐานว่าเป็นวิวัฒนาการพุทธศาสนายุคที่จะเริ่มกลมกลืนเข้ากับศาสนาฮินดูน แล้วอาจจะเป็นเรื่องของการเสียหลักของพุทธศาสนาเสียหลักอย่างไรก็อย่างที่กล่าวแล้วว่าศาสนาฮินดูศาสนาพราหมณ์นั้นถือเรื่องเท พ, พเจ้าเป็นใหญ่และมีพิธีบูชายัญคือตัวเทพเจ้าเองนั้นเป็นสิ่งสูงสุ ด, สดมีที่นิพพานฐานสองความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเทพเรานั้นคือการอ้อนบอนเพื่อให้เกิดผลกับตนเองอันนี้มาในพุทธศาสนาเทราวาตเบื้องต้นแทนนี้บอกแล้วว่า ได้ดึงจากเทพมาสู่ธรรมถือคติของกฎธรรมชาติความเป็นไปนตามเหตุผลตามเหตุปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับกฎธรรมชาติคือการกระทําเหตุนั่นคือตัวหลักต่างของศาสนาพราหมณคือความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเทพคือการอ้อ น, อนวอนเอากใจความสัมพันธ์ของพุทธศาสนากับตัวธรรมะคือกรรมอันนี้โยมคงแยกได้นะของเขามีเทพและมนุษย์สัมพันธ์กับเทพโดยพิธีบูชาใหญ่ ของพุทธศาสนานั้นพุทธศาสนาสอนธรรมะตัวกฎธรรมชาติความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับตัวธรรมะคือกรรมคือการจระทําตามเหตุผลด้วยความรู้ธรรมะนั้นถ้าเราเรียรู้ธรรมะได้ปัญญาเท่าไร่เราก็พัฒนากรรมของเราให้ดีขึ้นเราพัฒนากรรมด้วยการที่มีศิกขาคือการฝึกฝนพัฒนาตนอันนี้พุทธศาสนาแบบเดิมนี่มีหลักการมาอย่างนี้ต่อมาพุทธศาสนายุคหลังต้องแข่งกับฮิน ด, ดูมากขึ้น ฮินดูนั้นมีเทพเจ้าไว้ให้ชาวบ้านอ้อนวอนวงสวงแล้วอิทธิพลเดิมฐานของาศาสนาพราหมณ์นั้นก็เรื่องนี้เป็นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเขามีพิธีบูชายันญขนาดเอาคนบูชายันญอฉะนั้นสภาพความเชื่อถือแบบนี้ล้างยากมาอันนี้คนจำนวนมากก็ชอบที่จะให้คนมาช่วยไอ้เรื่องจะเพียรพยายามด้วยตัวเองใช้ปัญญาให้แมมันแสนยาก ก็มีความโน้มเอียงที่จะหันไปหาการอ้อนวอนขอผลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นไปได้ว่าพุทธศาสนาฝ่ายมหายานนี้ก็พยายามที่จะเริ่มเอาอกเอาใจประชาชนสนองความต้องการบ้างโดยที่ว่าเอจะทำยังไงดีหาอะไรมาช่วยปลอบขวัญประชาชนให้เขามีสิ่งที่มาช่วยบ้างเอาแล้วทีนี้ก็คิดไปถึงคติโพธิสัตว์คือเรามีคติโพธิสัตว์อยู่เดิม พระบรมทิสศก็คือพระพุทธเจ้าก่อนจัตสรู้บำเพ็ญเพียรบารมีมาพระบรมทิส์นี้ตั้งใจบำเพ็ญความดีอย่างยอดยิ่งอย่างสูงสุดโดยไม่เห็นแก่ความลาบากยากแค้นและเสียสละตนเองแม้แต่ชีวิตเพื่อบำเพ็ญความดีในการบำเพ็ญความดีนั้นสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งก็คือการช่วยเหลือผู้อื่นอย่างที่เห็นในชาดกต่างๆเนี่ยเสียสละตัวเองเสียสละ ทรัพย์สินสมบัติเสสละเลือดเนื้อเสสละแม้แต่ชีวิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ช่วยเหลือคนอื่นได้ก็เอเมนว่ามีพระโพธิสัตว์นี่มีความเสสละที่จะช่วยผู้อื่นแต่คติโพธิสัตว์เดิมนั้นเรามีความหมายอย่างไรคติโพธิสัตว์เดิมนั้นมีความหมายว่าพระโพธิสัตว์นี้เป็นแบบอย่างแก่ชาวพุทธในการทําความดีว่าให้ชาวพุทธเอาอย่างพระโพธิสัตว n ทาความดีและช่วยเหลือผู้อื่นไม่เห็นแก่ตัวเองเลย ยอมเสียสละแม้แต่ชีวิตเขาตัวเองเพื่อทําความดีและเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นได้เป็นคติสอนเพื่อให้เอาอย่างแต่มหายานมาคิดว่าเออคติโพธิสัตว์นี่มองในแง่ว่าพระโพธิสัตว์ท่านไปผู้ช่วยเหลือผู้อื่นมนุษย์เราหวังความช่วยเหลือเราก็ไปหาพระโพธิสัตว์ให้ท่านช่วยได้ตรกลงก็เลยมีคติโพธิสัตว์ขึ้นมาแต่ว่า พระโพธิสัตว์ที่เราพูดถึงทั่วไปคือพระโพธิสัตว์ของพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้แล้วพระโพธิสัตว์นั้นก็สิ้นชีวิตไปแล้วใช่ไมพระโพธิสัตว์นั้นสิ้นไปหมดแล้วพระโพธิสัตว์ของเทรวานีก็มุ่งเอาสำหรับพระโพธิสัตว์ของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันซึ่งได้ทําความดีไว้เป็นแบบอย่างให้เราทําอย่างนั้นบ้างแต่ท่านสิ้นชีวิตไปหมดแล้วแม้แต่พระพุทธเจ้าองค์นี้ก็สิ้นชีวิตปัจจุบันผ่านไปแล้วเอราจะทํำยังไงลราให้มีพระโพธิสัตว์ที่ช่ยย่่ววยยออูกกก็เาาาาหลักกรม พระพุทธเจ้านี้มีได้เร <Hola. o oba> ื่อยไปพระพุทธเจ้าที่จะมาตรัสลูข้างหน้าก็ยังบำเพ็ญบารมีเป็นโพธิสัตว์อยู่เพราะฉะนั้นก็ยังช่วยเหลือสัตวโลกอยู่อ้าวถ้าอย่างนั้นเราก็เอาพระโพธิสัตว์ของพระพุทธเจ้าที่จะมาตรัสลูข้างหน้ามาสิจะได้มาช่วยมนุษย์ในปัจจุบันได้ก็ตกลงก็เลยมหายานก็ไม่เอาพระโพธิสัตว์ของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันแล้วไปเอาพระโพธิสัตว์ที่ยังไม่ตรัสลูยังไม่เป็นพุทธะที่ยังมีอยู่ซึ่งยังบำเพ็ญบารมีอยู่นี่เอามาให้นับถือ จะได้มาช่วยเหลือคนอื่นได้ตอนนี้ก็เหมือนกับว่าทาพุทธศาสนามหายาณ น, นี้มีคู่แข่งที่จะมาชดเชยความเชื่อที่จะอ้อนวอนเทพเจ้าใช่ไหมลูกน้อยมีพระโพธิสัตว์มาช่วยเหลือสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่ต้องการความช่วยเหลือพระโพธิสัตว์เช่นอย่างพระอวโลกิเตศวนเต็มไปด้วยพระมหากรุณ า, าท่านจะมาช่วยเราเพราะฉะนั้นเราก็ไปขอร้องไปอ้อนวอนท่านท่านมาช่วยเหลือ เออคุณไม่ต้องไปอ้อนวอนเทพเจ้าฮินดูนะไม่ต้องไปอ้อนวอนพระพรหมไม่ต้องไปอ้อนวอนพระนารายมหาพระโพธิสัตว์ก็ได้พระโพธิสัตว์ก็ช่วยได้เอาแล้วฮินดูพุทธศาสนามหายาณมีมีพระโพธิสัตว์มาแข่งกับฮินดูแข่งกับเทพเจ้าแต่แข่งของพุทธนี่มันแข่งไม่ได้เต็มที่เพราะว่าเทพเจ้าของฮินดูนั้นเขาแสดงกิเลสได้เต็มที่ โลภะโทสะนี่เต็มที่เลยใชย้ฤทธิ์ประหัตประหารคนอื่นทีนี้มนุษย์ที่เป็นปุตุชนนี่มันอยากจะทําร้ายผู้อื่นบ้างอะไรบ้างใช่ไหมเรื่งนีอ้อาศัยเทพเจ้ามาช่วยมันเจ้าจะมาได้ลบการช่วยการสู้การเอากันให้เต็มที่แต่มหาวปริตสัตว์นี่ท่านมีคุณธรรมท่านไม่ทําสิ่งที่ร้ายมีแต่เมตตากรุณาเพราะฉะนั้นการอ้อนวอรโพธิสัตว์นี่ก็ไม่สามารถจะแทนเทพเจ้าของฮินดูได้จริงนะเพราะจํากัดจะได้คุณธรรม มีเมตตากรุณาช่วยแต่เรื่องคุณธรรมเรื่องของหมหากรุณาเท่านั้นแต่ตอนนี้เท่ากับเสียหลักแหละคติโพธิสัตว์เดิมนั้นคือการเป็นแบบอย่างให้ชาวพุทธทุกคนจะต้องทำความดีอย่างนั้นเสียสละตนเองได้เพื่อทำความดีอย่างเต็มที่แต่กลายเป็นว่าตอนนี้เราเห็นว่ามีพระโพธิสัตว์มาช่วยเราแล้วเราไปขอความช่วยเหลือจากพระโพธิสัตว์เราไม่ต้องเถีอันนี้แหละมันพลิกเลยความหมายของพระโพธิสัตว์ ขอให้เรามาดูปัจจุบันนี้ที่นับถืออย่างเจ้าแม่โวนอิมเนี่ยเรานับถือกวนอิมก็คือพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนอวโลกิเตศวร น, นั้นเป็นพระโพธิสัตว์เดิมที่มีในอินเดียแล้วก็ไปจีนก็แปลเป็นจีนแล้วสับกล่อนเหลือแค่โกนอิมโวนอิมก็อวโลกิเตศวนอันเดียวกันแล้วก็เพศก็กลายเป็นหญิงไปด้วยตำนานเคยเล่าหลายครั้งและเคยเล่าว่า นะตำนานหลายตำนานตำนานหนึ่งว่าครั้งหนึ่งพระราชธิดาพระเจ้ากรุงจีนนั้นปัจจุบันหนักแล้วก็ไม่มีแพทย์หลวงแพทย์ราชที่ไหนจะรักษาได้ก็เลยร้อนถึงพระอวโลกิเตศวนกวนอิมนีนจะมาช่วยรักษาท่นี้ว่าในราชสำนักนั้นผู้ชายเข้าไปไม่ได้พระอวโลกิเตศวนก็เลยต้องแปลงร่างเป็นสตรีแล้วก็เข้าไปรักษาพระราชธิดาพระเจ้ากรุงจีน ให้หายแล้วเสร็จแล้วแปลงร่างกลับไม่ได้ก็เลยเป็นผู้หญิงสืบ ม, มา ก, ก็ว่าอย่างนี้แต่๋ยวแต่ว่ารวมแล้วก็คือเป็นคติของการที่ว่าไปอ้อนบอนขอผลถ้าเราไม่ละวังหลักของพุทธศาสนาเนี่ยก็จะไปโน้มเอียงไปทางเปศาสนาฮินดูมหายานนี้ก็ได้เสียหลักไปและการที่เสียหลักอันนี้ก็น่าจะเป็นส่วนสำคัญอันหนึ่งที่ทาให้กลืนกับศาสนาฮินดูได้ต่อมา การที่ไปเสียหลักจากการที่ใช้ความเพี ย, พยายามทํากรรมดีอะไระต่างๆด้วยวิริยะอุตสาหะเนี่ยก็เลยไปเป็นลทัทธิอ้อนวอนขอผลอะไรต่างๆไปใกล้กับศาสนานะฮินดูไปไปมาฮินดูเอาพระพุทธเจ้าเป็นพระนารายณ์ปางที่เก้าเป็นพระนารายณ์อวาตารอยู่เดี๋ยวนี้ก็ฮินดูก็สร้างเทวาลัยแล้วก็เขาวางรูปพระนารายณ์ไว้ตรงกลางแล้วเขาเอารูปพระพุทธเจ้าไปวางไว้ข้างๆเป็นบริวาร อันนี้ก็เป็นเรื่องของวิวัฒนาการซึ่งอาจจะมีความสัมพันธ์กับเรื่องที่มีในถ้ำที่อาชันตาเอโลลดราด้วยก็เป็นได้แต่ว่าอันนี้อตอมาก็เล่าไปโดยสัมพันธ์กับเรื่องประวัติศาสตร์พุทธศาสนาทั่วไปอันนี้เรื่องของการหวังฤทธิปฏิหารนี้ก็มาเห็นได้จากพุทธศาสนาที่จเจริญสืบมาทีนี้ก็ขอย้อนไปพูดถึงพุทธศาสนาโดยประวัติส่วนรวมในอินเดียทั้งหมดครั้งหนึ่งว่าพุทธศาสนาในอินเดียนี้ก็แบ่งได้เป็นยุคยุค ยุคแรกประมาณ500ปีแรกนี่เป็นยุคของพุทธศาสนาแบบเถรวาดรุ่งเรืองพุทธศาสนาแบบที่มาถึงเราเนี่ยพุทธศาสนาเถรวาดรุ่งเรืองอยู่ประมาณ500ปีแล้วต่อจากนั้นก็เป็นยุคของมหายานตั้งแต่พศประมาณหลัง500เป็นจนกระทั่งถึงพศ .1,000 เป็นมหายานแบบที่ยังดีอยู่พอสมควรแล้วพอหลังพศ .1,000 ก็เริ่มเกิดพุศาสนามหายาณแบบลัทธิตันตร์ และที่ตันตระนี่ก็จะมีเรื่องบนเรื่องเวทบนคาถามากแล้วมาถึงพศหลังพศ ส, สองหนึ่งพั0้าก็เป็นตันตรยุคเสื่อมโทรมมากสามมากจนกระทั่งถึงมีพระพุทธเจ้าก็มีคอนสอดมีชายาะไรทำนองนั้นอะ่ะมีนางตารามีอะไรต่งตางๆเหล่านี้แล้วก็มีการเสพสุรามีการ อะไรมีการเสพกรามถือเป็นการบรรลุนิพพานได้อะไรต่างๆเหล่านี้มีด้วยฮินดูตอนนั้นก็เละเละมากเหมือนกันฮินดูก็มีตันตระพทดก็มีตันตระแข่งกันพอศ5 0 0มาถึงพอศ7 0 0ร้อก็พอดีมุสลิมยกทัพเข้ามาพอศ7 0 0ร้อก็กวาดสะเรียบหมดเแล้วมีเรื่องเล่าไว้เพราะว่าเมื่อมุสลิมยกกองทัพมาฆ่าเผาฆ่าเผานั้นพระ ที่อยู่ในหมหาวิไลพุทธสถานะต่างๆก็หนีที่ถูกฆ่าก็ฆ่าไปที่หนีได้ก็ไปลงเรือไปพมา่าแล้วก็ที่หนีขึ้นเหนือก็ไปเนปาลไปทิเบตแล้วไปมีหลักฐานอยู่ที่ทิเบตเล่าถึงเรื่องของการตอนที่ว่าจะนาลันทาหรือหมหาวิไลพุทธศานาะแถบนั้นถูกทำลายเนี่ยตอนที่กองทัพมุสลิมจะยกเข้ามาเนี่ยก็มีเรื่องเล่าถึงความเชื่ออินิปาติหารเรื่องเวทมนต์ อนะย่างพระองค์หนึ่งนี่เหมาามีเวทบนคาถาครั้งเพรเดี๋ยวกองทัพมันมานะฉันจะใช้พัดนี่โบกองทัพมันจะแตกกระพ่ากระจัดกระจายกระเจิงไปหมดนี่นี่มีเรื่องยังค้างอยู่หลักฐานที่อยู่ที่ ท, ที่เบตแสดงว่าตอนนั้นพุทธศาสนาได้เสื่อมโซมีความเชื่อในเรื่องของไสยศาสตร์เรื่องของเวทบนคาถาอะไรต่างๆมนตรยานะตอนนั้น ตัณฑะนี้ก็มีเรื่องมนตรยานโดยเขาเรียกมนตรยานเลยนะเรื่องของชื่อพุทธศาสนาบแบบมนตรยานก็รัติเวหมดก็ถือว่าสามารถบรรลุไปถึงจุดหมายได้เ ด, ดเวทมนต์ในพุทธศาสนาก็เสื่อมไปถึงขนาดนี้ก็เรียกว่ากลืนกัศาสนาฮินดูได้มากมายแล้ว <c oughs> ก็เชื่อเรื่องอิธิปาติหารเรื่องขอ้งเวทมนต์อะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้อาจจะมาว่าเป็นคติสอนใจชาวพุทธที่ดีเราต้องมีเกณฑ์ในการที่จะนับถือสิ่งที่ สักศิ์อย่างชาวพุทธเชื่อพระรัตนตรัยแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้เราจะต้องมีเกณฑ์ใงที่ว่าแล้วความศักดิ์สิทธิ์ในพุทธศาสนาหนึ่งต้องไม่เห็นเสียหลักกรรมคือหมายความว่าถ้าเชื่อแล้วเป็นเครื่องรวมใจให้เกิดสมาธิตั้งมันได้ใจหายกระวนกระวายหายกระสับกระส่ายแล้วก็มีสมาธิตั้งใจกระทําการด้วยความเข้มแข็งจริงๆนี่เรียกว่าไม่เสียหลักกรรมก็พอใช้ได้ สไม่เสียหลักศิกขาคือไม่เสียหลักการพัฒนาตนเมื่อนับถืออย่างนี้แล้วต้องไม่เลิกพัฒนาตัวเองไม่ไปฝากความหวังไว้ฝากชะตาไว้กับอิทธิฤทธิบาติหารเหล่านั้นจกระทัง่งว่าไม่ได้คิดว่าตัวจะต้องทําอะไรและจะต้องทําอะไรกับตัวเองอันนี้จะเป็นหลักที่ทิ้งไม่ได้และสาก็คือความศักดิ์สิทธิ์ในพุทธศาสนาอยู่ที่คุณธรรมและความบริสุทธิ์ไม่ใช่ว่าศักดิ์สิทธิ์แบบฤทธิ์ของเทพเจ้าที่เต็มบปดกิเลสโลภะโทสะ แต่พุทธศาสนานี่ความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธเจ้าอยู่ที่ความบริสุทธิ์และเราก็ใช้หลักเทตมาเคยพูดไปแล้วว่าเราใช้อธิษฐานแทนการออนบอนและอธิษฐานในความหมายของเราก็คือการตั้งใจเด็ดเดี่ยวที่จะทำการอะไรเพื่อบรรลุจุดหมายอย่างใดที่ชัดเจนถ้าเรามีจุดมุ่งหมายอะไรตั้งใจเด็ดเดี่ยวเพื่อจุดหมายนั้นอธิษฐานจิตแล้วก็ทาให้เกิดสมาธิได้ผลดีได้ถ้าเราไปหวังผลจากพวก เวทมนต์คาถาแล้วมันก็ไปทางลทัทธิฮินดูประเทศขเขมรนี่มีชื่อในเรื่องของเวทมนต์คาถาแต่ว่ารักษาประเทศไม่ไหวพวกที่เชื่อในเวทมนต์คาถามากๆนี่เก่งนักๆขเขมรเนี่ยเก่งเหลือเกินเรื่องเวทมนต์คาถาและประเทศขเขมรเป็นไงไม่อยู่กับเหตุผลไม่อยู่กับเรื่องของความจริงอันนี้ไปไม่ไหว อินเดียก็เป็นมาแล้วตั้งแต่ก่อนพุทธกาลพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาเพื่อแก้ไขเรื่องนี้แล้วนานๆพุทธศาสนาของเราในอินเดียก็เสื่อมลงไปเสียหลักของตัวเองก็ไปพุทธศาสนาในเมืองไทยถ้ารักษาหลักมไม่ได้ก็คงไปเหมือนกันการมาอินเดียครั้งนี้จะมาว่าเป็นเครื่องเตือนใจอย่างหนึ่งอย่างน้อยก็เรื่องเหล่าเนี้ให้เรารักษาหลักการของพุทธศาสนาไว้ให้ได้อย่าให้เสียหลักแล้วมาทบทวนว่า หลักพระพุทธศาสนาที่แท้คืออย่างไรกันแน่เพื่อจะได้วัดและก็ตรวจสอบและก็แก้ไขปรับปรุงเรื่องความเชื่อถือการประพฤติปฏิบัติในหมู่ชาวพุทธอันนี้ตะมาว่าพูดไปยาวมากแล้ว น, นี่ก็ไม่ทราบว่าจะมีเวลาเหลือที่จะตอบ ป, ปัญห า, มาหมือเปล่าวันนี้เราก็มาปิดรายการกันด้เรื่องถ้ำอัชันต้าอิโดล่าแต่ว่า ไม่ได้พูดหยุดยเฉพาะแค่เรื่องตัวรรถ้ำเท่านั้นแต่ว่าได้โยงมาหาเรื่องของความเป็นมาเป็นไปของพุทธศาสนาในอินเดียทั้งหมดโดยย่อแล้วก็โยงมาหาเรื่องหลักธรรมคาสอนของพุทธศาสนาซึ่งบทเรียนที่เราควรจะได้จากความเป็นมาของพุทธศาสนาในประเทศอินเดียทั้งหมดนี้แล้วก็อาตมาก็ขอฝากเป็นปัญหาไว้ครบคิด พระุทศาสนาไม่มีอะไรที่มองดูคล้ายๆขัดกันเป็นตรงข้ามแต่ถ้าโยมตีแตกแล้วก็จะเข้าใจพุทธศาสนาชัดและปฏิบัติได้ถูกนะก็วันนี้ฝากไว้สักสี่ข้อที่จริงสองข้อพูดไปแล้วอันที่หนึ่งที่พูดไปแล้วก็คือเรื่องอ น, นิจจ์กับความไม่ประมาทคือพุทธศาสนาบอกว่าออสิ่งทั้งหลายนี่ไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปอันนี้ว่าอย่างนั้นใช่ไหมเรื่องข้อ อันนี้บอกกันทีนี้คำสอนที่อันบอกว่าถ้าเราไม่ประมาทแล้วจะไม่มีทางเสื่อมเลยมีแต่ความเจริญเท่านั้นคำสอนสองคำนี้เป็นพุทธพจน์ใหญ่ด้วยกันทั้งคู่เนี่ยขัดกันไมมที่จริงไม่ขัดกันและสนับสนุนกันด้วยแต่สนับสนุนกันอย่างไรถ้าหากว่าไม่สามารถมองพุทธศาสนาได้ครบสองด้านนี้แล้วจะพลาดอันที่หนึ่งว่า ศาสนาสอนหลักความจริงว่าสิ่งทั้งหลายเป็นอันนิจจังเกิดขึ้นแล้วก็หลับดับไปเป็นธรรมดาแต่อีกด้านหนึ่งบอกว่าถ้าไม่ประมาทแล้วมีแต่เจริญไม่มีเสือ่อมดัง น, นั้นในแง่ความจริงก็เรื่องอันนิจจังสิ่งทั้งหลายเกิดดับธรรมดาแต่ในแง่าการปฏิบัติของมนุษย์คือความไม่ประมาทต้องรักษาความเจริญไว้ไม่ให้เสือ่อมสองอันนี้ไม่ได้ขัดการสนับสนุนกันด้วยอันติกที่หนึ่งและวสองก็คือเรื่อง คู่ระหว่างธรรมะกับวินัยอย่างที่ว่าเช่นธรรมะเวลาเราศึกษาแล้วเราได้คติโอสิ่งทั้งหลายนี่ก็เช่นหลักอนิจจังอะเป็นสิ่งที่เราไม่อาจจะยึดมั่นถือมั่นได้จะต้องรู้จักปล่อยวางใช่ไหมเลยพอนี่ธรรมะจะสอนเราคล้ายๆอย่างนั้นเพราะสิ่งทั้งหลายนี่มันก็เป็นอนิจจังทุกขังนักตาตามพระาใจลักนี่ไม่อาจจะยึดมั่นถือมั่นได้ต้องปล่อยวางนะตาวินัยบอกว่า ต้องมีความรับผิดชอบแม้แต่สิ่งเล็กๆน้อยๆที่สมมติตกลงกันยอมรับสมมติเต็มทีอย่างที่อาตมาบอกเมื่อกี้เช่นอย่างภิกษูนี่จีวอนขาดเป็นรูแม้แต่เท่าหลังตัวเลือดไม่รีบไม่จัดการแกไขปะชุนเสียปล่อยทิ้งไว้เป็นอาบัตมีความผิดพระอระหันต์เวลามีเรื่องของส่วนรวมเกิดขึ้นไม่เข้าที่ประชุม ไปอยู่ป่าเสียที่ประชุมลงโทษพระละหันนะนี่วินัยเลยหรป่าพระลหันต้องเคารพสงศ์งหลักเขเค้าวินัยคือถือสงเป็นใหญ่พระละหันหลายองค์ในประจิศาสตร์ถูกสงลงโทษพระลหันจะเข้านิโรธสมาบัติมีข้อหนึ่งที่ต้องเตรียมใจไว้เลยถ้าสงเรียกมาไรต้องออกจากนิโรธสมาบัติทันทีกิจการของส่วนรวมการใดที่เป็นเรื่องของความ สุขทุกข์หรือความเสื่อมเสียของส่วนรวมแล้วจะต้องเอาใจใส่เป็นผู้นำพระรหันจะเป็นลักษณะเป็นอย่างไรเมื่อพระพุทธเจ้าวางวินัยให้สวปดปาติโมกขุกึ่งเดือนพระมหากับปินาเป็นพระรหันมาพิจาราญิพระพุทธเจ้าวางวินัยข้อนี้เราต้องไปหรือเปล่าเนี่ยเพราะเราเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วจะต้องไปทดสอบตรวจสอบวินัยอะไรกันล่ะพระพุทธเจ้าเสด็จไปหาพระมหากับปินาได้โพระงเองทันทีเลย บอกเธอเป็นพระลหันเป็นผู้นำต้องไปรานั้นถ้าเธอไม่ไปแล้วใครจะไปล่นะเพราะนั้นพระละหันจึงมีคติที่ถือประโยชน์สุขของส่วนรวมถ้ามีอะไรเป็นเรื่องกระทบกระเทือนส่วนรวมเกิดขึ้นพระลหันเป็นผู้นำเช่นพระมหากรสปะพระมหากรสปะริเริ่มชวนพระระหันทั้งหลายทำสังขยานนาในเมืองไทยมีการยึดถือกันมาทำนองว่า พระองค์ไหนไม่เอาเรื่องเอาราวอะไรเกิดขึ้นไม่เอาใจใส่ก็คือไม่มีกิเลสเข้าใจกันอย่างเนี้ยที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะไม่เข้าใจหลักการคู่เนี้ยคือหลักการเรื่องธรรมะกรวินไนเอาละตกลงว่าพุทธศาสนาประกอบที่สองส่วนคือธรรมะกรวินไนถ้าเข้าใจพุทธศาสนาให้ครบต้องทั้งธรรมะและวินไนแล้ววินัยจะแสดงชีวิตของพระอรหันต์ ในโลกที่เป็นจริงของมนุษย์ที่อยู่ในสมมติพระหันคือผู้รู้ความจริงของปรมัตารความจริงแต่เข้าถึงจนกระทั่งจิตมายึดมันถือมัน่นแต่ว่าเพราะจิตมายึดมันถือมั่นนั่นแหละจึงปฏิบัติตามสมมติได้อย่างถูกต้องตามเหตุผลที่สุดด้วยความรับผิดชอบเอาต่อไปนะเลยเพอนี่คล้ายๆขัดกันสองอย่างตรงข้ามต้องตีให้แตก3ก็คือพุทธศาสนานี่สอนเรื่องทุกข์ แต่ว่าเมื่อสอนแล้วเวลาปฏิบัติมีแต่เรื่องสุขทางนั้นเลยคือเป็นศาสนาแห่งความรู้เท่าทันทุกแต่ให้มีชีวิตที่เป็นสุขหน้าที่ต่อทุกคือรู้เท่านั้นนะเลยก่อนหน้าที่ต่อทุกคือทุกขังปริญญาอัตมาเคยพูดไปแล้วหน้าที่ต่ออริสัตถ์ถ้าผิดแล้วพลาดทันทีเลยพระเจ้าจัดอริสัต์ไม่ได้จัดไว้เลย้อยจัดหน้าที่ไว้ด้วย ทุกนั้นเรามีหน้าที่ปริญญาคือรู้ทันมันแต่เราไม่มีหน้าที่เป็นทุกรู้จักทุกไม่ใช่เป็นทุกขเมื่อปฏิบัติพุทธศาสนาแล้วก็มีจะห่างทุกข์และเป็นสุขมากขึ้นนั้นมีพระสูตรหนึ่งที่จัดเวลาไปพระ เ, เจ้าไปโต้กับพวกนิครนนิครนเขาถือว่าคนเรานี่จะหมดกิเลสจะพ้นจากทุกนี่ร่างกายนี่มันยุ่งยากไปตามใจมันเราก็เลยไม่พ้นไปจากทุกเพราะฉะนั้นต้องทรมานมัน ก็ประเพณตบบัตรพุทธเจ้าก็ตรัสให้หลักไว้หลักในการปฏิบัติต่อทุกสุข4ี่ประการหนึ่งไม่เอาทุกทับถมตนที่ไม่เป็นทุกของไม่ละทิ้งสุขที่ชอบทำสา 3. แม้แต่สุขที่ชอบธทมนั้นก็ไม่หลงติดเคล็ดเลยไม่หลงติดแล้ว 4. ปฏิบัติเพื่อเข้าถึงสุขที่ประณีตยิ่งขึ้นไปอันนี้คือหลักพุทธศาสนาในเรื่องสุขทุกนะโยมอาจจะ ไม่ได้มองเรื่องนี้ข้ามไป น, นี้เป็นหลักอันหนึ่งย้ําอีกทีนะวิธีปฏิบัติต่อทุกละสุข4ประการ1ไม่เอาทุกทับสมตนที่ไม่เป็นทุกของไม่ละทิ้งสุขที่ชอบทำสามแม้แต่สุขที่ชอบทมก็ไม่ติดหลง4ปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความสุขที่ประณีตยิย่งขึ้นไปจะต่อก็ได้เพะจนถึงบรมสุขคือที่สุดอันนี้ก็ว่าไปตามลาดับอันนี้นี่เรื่องสุขเรื่องทุก ก็ตีให้แตกว่ามันคล้ยๆขัดกันแต่ที่จริงกันเดียวกันและอีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องอัตตานัตตาพุทธศาสนาสอนว่าถ้าเราพูดเป็นภาษาธรรมดาแค่ว่าอัตตาที่ไม่มีนั้นท่านสอนให้พัฒนาไปเถิดจะประสบพบสิ่งที่เลิศประเสริฐยิ่งอัตตาที่ไม่มีนะให้พัฒนามันไปเถิดน่าจะได้พบสิ่งที่เลิศประเสริญยิ่งแต่อัตตามีขึ้นมาอะไรเป็นปัญหาทุกที นะเกิดตอัตตาขึ้นมาเมื่อไรยุ่งทุกทีมีปัญหานี่เกิดทุกเกิดการกระทบกระทั่งอะไรต่างๆแต่อัตตาที่ไม่มีน่ะใช้มันเถอดได้เต็มที่เลยพุทธศาสนานี่คําสอนว่าได้อัตตาหรือตัวตนนี่มากมายเลอเกิดอัตตาเหตุโนนาโถตนเป็นตีพึ่งของตนอะไรอัตตาอะไรต่างๆอัตถีปาอัตตสารณาจงมีตนเป็นที่พึ่งจงมีตนเป็นเกาะเลยในตนเยอะพุทธศาสนาสอนในระดับตนสมมติเนี่ย ที่มันไม่มีนี่แหละพุทธศาสนาพูดเต็มที่เลยให้ใช้ให้ปฏิบัติให้พัฒนามันมันเป็นประโยชน์ดีแล้วเกิดพุทธศาสนาท่านไม่ได้มาเที่ยวพูดยุ่งในระดับสมมติ ว, มว่าไม่มีอัตตาหรอกแต่ว่าอัตตาในระดับปรามาตจิเนี่ยท่านให้รู้เท่าทันว่ามันไม่ได้เป็นของจริงแล้วถ้ามันมีขึ้นมาอะไรเกิดยึดถือขึ้นมาอะไรให้การยึดถือนั้นเกิดโทษทุกข์ถือเลยเกิดปัญหาจึงบอกว่าอัตตาที่ไม่มีนะพัฒนาไปเถิดจะประสบสิ่งที่เลิศประเส ร, ริญยิ่ง แต่อาตามีเมื่อไรเกิดปัญหาทุกทีเลยอันนี้ก็ตีให้แตกด้วยวันนี้ก็อาตมาก็พูดมาก็เลยไปอีกซะเยอะเลยว่าจะพูดปิศสาทิ้งมานิดหน่อยก็อธิบายซะยืดยาวก็คิดว่าปันนี้ก็พูดมาใช้เวลาของโยมมากมายแล้วความจริงก็มีโยมบางท่านฝากคำถามใสยย่ยากไว้ให้ตอบด้วยแต่ก็คิดว่าไม่มีเวลาที่จะตอบเลยแล้วเพราะว่า เป็นเวลาที่สมควรที่โยมจะได้รับประทานอาหารแล้วก็พักผ่อนกันบ้างดัง น, นในโอกาสนี้อาตมาก็ขออนุโมทนาโยมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งที่ได้มีจิตศรัทธามาด้วยความเรื่อมใสและก็มีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลมาจาริกเรียกว่าเป็นบุญญจาริกคือจาริกที่เป็นบุญเพื่อมานวัตสการสังเวชนีสถานทั้ง4ตำบล นอกจากนั้นก็ยังได้ไปเยือนสถานที่สำคัญในทางพุทธศาสนาที่เชตวันสาวัตถีและตลอดจนกระทั่งมาลงท้ายที่ถ้ำอชันตาเอโน ล, ลานี้ก็โยมก็ได้รู้ได้เห็นสิ่งต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าและประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนาพอสมควรถ้าเราได้น้อมนำโยงเอาเรื่องสิ่งที่เราได้ผ่านวันนี้ มาบรรจบกับเรื่องของหลักการของพุทธศาสนาประกอบด้วยความรู้เข้าใจเกี่ยวกับควาเป็นมานั้นก็คิดว่าจะได้คติธรรมจะได้ความรู้ที่เป็นประโยชน์และได้บทเรียนต่างๆที่จะไปใช้ในการปฏิบัติจะเป็นส่วนชีวิตของตนก็ตามคือในการดำรงพุทธศาสนาเพื่อประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติสังคมและมนุษยชาติทั้งปวงก็ตามก็จะเป็นสิ่งที่นำไปใช้ได้มีผลดีทั้งสิ้นอนภาจารภาพก็ขออนุโมทนาด้วย แล้วก็ด้วยการที่โยมญาติมิตทุกท่านมีจิตศรัทธาเป็นบุญเป็นกุศลนี้ก็ขอให้ทุกท่านได้ประสบแต่สิ่งที่ดีงามเป็นมงคลยิ่งขึ้นไปอย่างน้อยก็ให้ได้เจริญด้วยปีติความอิ่มใจปราบรื้มใจในการเดินทางมาจาริกได้ทำพุทธบูชาธรมบูชาสังฆบูชาทั้งนี้แล้วก็ขอให้บุญที่เจริญขึ้นในจิตใจขอให้ปีติที่ ตั้งขึ้นในจิตใจแล้วนี่ยจงเจริญเพิ่มพูนขึ้นนำมาสร่งความสุขในเรื่องหน้าชีวิตไปขอทุกท่านจงได้เจริญด้วยจากรตรพริธตรหอชัยมีความเจริญก้าวหน้าประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิตแนละในการประกอบกิหน้าที่การงานให้บรรลุ ป, ประโยชน์สุขทั้งแก่ตนและแก่สังคมและจงได้มีความร่มเย็นงอกงามในร่มพระบารมีของพระพุทธเจ้า ในพระพุทธศาสนานี้โดยโทรกการทุกท่านตลอดการทุกเมื่อเธอ